รถที่30ตัดสินใจกันติดครั้งหนึ่งเถื่อเจลอย่างไงกันดีไม่มีสัญญาณตอบมาเลยด็อกรสเตอลี่ประกาศเคลื่อขลุมยืนรอกันอยู่แบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละเสี่ยงตามดีกว่าโชิดพุทระเบิดภาพอึดอัดขึ้นมาทุกคนเห็นพร้อมด้วยในทันทีเพราะการพยายามติดต่อทางวทยไม่ได้ผลมาตลอดท่ามกางการสูญหายไปอย่างป่าจากล่องลอยของระพินทานท่าบุญคําซึ่งยังเดินเตร่สารวจตรวจตรายอย่างถี่ถ้วนที่สุดรอบๆบริเวณใกล้เคียง ได้ถูกเรียกเข้ามาใกล้อีกครั้งหนึ่งเป็นอันว่าเราจะเสี่ยงตามรดพินเดิมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญคาแล้วเราหมายถึงการตัดสินใจเลิกทิศทางแกะลอยแต่เท่าเองก็ร้อนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันพยักหน้ารับทันทีเมื่อได้รับคําสั่งตกลงไปในห้างบุญคําพอจะมองเห็นเขาเงื้อมอะไรบ้างแล้วทางช่องหินอาจเป็นทางดานันด้านเหนือนั่นแกชีมมือประกอบบุญคําเห็นใบของต้นไม้มีพิษหล่นอยู่สองสาใบและตามไปอีกนิดก็เห็นใบของมันตกอยู่อีก มีรอยลากมากับพื้นด้วยแปลว่ากิ่งไม้ได้ย้ำนั่นก่อนที่จะถูกนำมาโยนลงไปในแอ่งน้ำนี้มันจะต้องถูกลากมาทางทิศนั้นแน่นอนแหละและถ้าใานอยากจะไปก็คงจะไปทางด้านที่มีกิ่งไม้ถูกลากมาแน่ๆเลยถ้างั้นก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดแล้วเชิดวยวุดล้อออกมาพร้อมกับเห็นพวดท่ายกไปยังตำแหน่งปากทางอันเป็นช่องหินที่พื้นคำชี้บอกก้มลงมองพื้นเสียงเข้าวุทานลั่นออกมาอย่างยินดีมีความหวังขึ้นโบกมือเรียกพวก ทุกคนกรูเวนเข้าไปโดยเร็วแล้วก็เห็นจริงตามที่คุณคำบอกไว้แม้พื้นที่เป็นดินลูกลางบนกลวดแห้งสับเพียงไหนก็ตามร่องรอยการลากของกิ่งไม้ผ่านเข้ามาก็ยังมองเห็นได้เพราะมีใบไม้สดของมันสองาใบหล่นหล่นห่างกันอยู่เป็นระยะระหว่างซอกหินที่แคบที่สุดก็ยังมีรอยกิ่งที่ลากกระทบเสียดสีทิ้งคราบเขียวเอาไว้ตามเส้นทางนั้นเป็นแนวทางอันคดเี้ยว เลาะไประหว่างหมู่ป่าหินมีที่ท่าว่าจะลงไปสู่ป่าในที่ต่าตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งอันหาขอบเขตแน่นอนไม่ได้ทั้งหมดเพื่อนออกจากที่ทันทีโดยการนําของบุญคำเพราะว่าขนาดนั้นเองตาลก็ต้องชะ ง, งักกึกวิทยุที่เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาของ ep, ดรอตเตอรี่ปรากฏเสียงชัดเจนขึ้นมาที่ทําให้ทุกคนลืมตากว้างอย่างยินดีขีดสุดและพินเรียกทุกคนให้ยินและตอบด้วยเฮ้ hey, และพินพวกเราอยู่นี่คุณจมอยู่ที่ไหนนะ่ะ ว่า น, นัคณะพูดเร็วเกอนรลักษณะเกือบจะเป็นตะโกนพิตเวลเชดวุดและคริสติน่าต่างกระช่าวทิทยุประจำตัวขึ้นมาพร้อมกันหมดพระต่างก็ประสงค์จะซักถามพูดโต้อตอบกับพรานลำทางทั้งสิน้นในภาวะที่เต็มไปด้วยปริศนามืดบนเช่นนี้เสียงของนภินพูดมาค่อนข้างเร็วดังออกมาจากเครื่องรับของทุกคนว่า กอดอื่นขออภัยที่ไม่ได้ตอบมานใทันทีปล่อยพวกท่านรอกันนานผมทำวิทยุตกเกือบหายระหว่างที่เดินหาโชคดีที่ได้ยินเสียงสัญญาณเรียกจากมันจึงคนตำแหน่งตกพบขณะนี้ทุกท่านอยู่ที่ไหน <c oughs> เรามายืนงงกันอยู่ตรงแอ่งน้ำบนเนินนี่นานกว่าหกเจ็ดนาทีแล้วไม่พบวิวแวลล่องรอยของคุณเลยก <c oughs> ำลังจะตัดสินใจตามอยู่เดี๋ยวนี้พอดีได้ยินสัญญาณเรียกจากคุณ เซลียังคงพูดเป็นรถไฟดูนยอยู่เช่นนั้นเต็มไปด้วยความรุกรนละคนดีใจอยู่ตรงแอ่งน้ำนั้นหรือพระเจ้ามีใครแตะต้องน้ำในแอ่งน้ำนั้นบ้างหรือเปล่าทราว น, นี้เป็นเสียงกระหึ่ยกระหอบแสงความตกใจของพลานใหญ่ไม่ต้องหวง่วงโชคดีมากเลยที่บุญคาเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นเสก่อนและห้ามเราไม่ให้แตะต้องน้าในแอ่งนั่นขอบคุณสวรรค์ ผมกำลังร้อนใจอยู่ในเรื่องนั้นเสียเวลาค้นหาวิญญที่ตกหายอยู่นานตั้งเกือบสิบนาทีแอ่งน้ํานั้นกลายเป็นน้ําพิษไปเสียแล้วเรารู้แล้วบุญคําบอกเรามีกิ่งไม้มีพิษถูกโยนลงไปแช่อยู่กลางแอ่งน้ําเป็นสีขาวมัวมัวไปหมดพวกเราก็แทบจะเป็นบ้านตายอยู่แล้วที่ไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากคุณเลยหลังจากได้ยินเสียงไล่ขึ้นขึ้นสองนัดคุณปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าขนาดนี้อยู่ที่ไหนเรากําลังจะออกตามอยู่เดี๋ยวนี้พอเดินได้ไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็พอดีคนเรียกขึ้นมาเสียก่อน อย่างคีตตะโกนกรอกลงไปในวิวของตนเองผมปลอดภัยปกติดีทุกอย่างพวกท่านหลายอยู่กันครบหรือเปล่าให้ฮ <Hi, Hunter. S 1> ันเตเบอร์ปลาสายทางวิวของหลังขึ้นมาบ้างพร้อมกับของเราเบาๆพวกเราอยู่กันครบทั้งนั้นแหละช่านอาจารย์คีตเชิดดูดคริสและลูกน้องมือดีของคุณตาบุญคาทุกคนเป็นห่วงคุณจดบอกไปถูกและเมื่อก่อนหน้า น, นี้ประมาณสิบนาทีก่อนที่เราจะขึ้นมาถึงยอดของป่าหินลำหน่งแองนั้นที่คุณอ้างว่าจะขึ้นมาดูนี่น่ะ <c oughs> พวกเราทั้งหกคนเกิดจะแหลกเหลวไปแล้วคุณอาจจะไม่รู้ถ้าขณะนี้คุณอยู่ห่างไกลจากเราออกไปมากเกิดอะไรขึ้นเสียงจอมกรุงเทพจากปีเกอร์ของวิชิวจิ๋วในมือของทุกคนถามสวนมายอย่างตกใจลัคนเร่าร้อนอิสเบลหันพยักหน้าไปทางหนคณะเพื่อให้ตอบแทนเราได้ยินเสียงปืนสองนัดของคุณด็ดเตอร์สเปอรลี่และกำับความตึกเต้นลงได้แล้วเล่าความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เราพินฟังทางวิชิวติดต่อ พวกเราที่นั่งรออยู่ที่จีนเนินทั้งหมดพยายามเรียกคุณด้วยวิทยุแต่ไม่นเสียงตอบทําให้ตกใจกันมากผมและทุกคนวิ่งขึ้นมาบนเนินเพื่อตามหาคุณแต่ขณะที่เราวิ่งไปทางขึ้นมาเกือบจะถึงยอดนั่นทิ้นใหญ่ก้อนหนึ่งก็ถูกกําลังอะไรชนิดหนึ่งผักดันให้หลุดล่วงลงมามันกลิ้งสวนทางจะทับพวกเราทุกคนต่างคนต่างหลีกเข้าข้างทางเอาตัวรอดกันไปอย่างหุดหวิดปืนผาหน้าไม้หลุดทัดมือหมดตอนนั้นเราไม่รู้ว่าใครเอาตัวรอดได้หรือใครเคราะไายแหลกเหนวไปบ้างแล้ว เสียงละพีดูทานลั่นออกมาคำหนึ่งแล้วยังไงต่อเด้ครับระหว่างที่เราต่างคนต่างกลิ้งกระ จ, ระจายหมอบหลบก้อนหินลูกนั้นกันอยู่ชนิดตัวใครตัวมันเราก็เห็นไอ้ยักษ์ตัวหนึ่งส่งเสียงร้องลั่นแล่นสวนลงมาเราเห็นกันถนัดทุกคนนั่นแหละช้างใหญ่ขนาดเกือบเท่าตัว ทางป่าทั่วไปงานทั้งสองข้างดำสนิทเป็นสีนึ่งจริงๆลหละไอ้งาดำมีอยู่จริงๆในโลกนี้ลระพินเราสาบานได้และมันนั่นแหละที่คอยดักซุ่มงัดก้อนหินนั้นใส่ลงมายังพวกเราไม่น้ำซ้ำยังวิ่งตามก้อนหินลงมาระหว่างที่พวกเราหลบอยู่เปือนก็หลุดพัดมือไปหมด ไอ้งาดำตัวที่กระเลี่ยงพวกนั้นเล่าให้ฟังนะเด็กครับคราวนี้เสียงคาาพียงกลายเป็นตะโกนขึ้นมาบ้างดังลั่นไปหมดในวิทีโทุกเครื่องที่เปิดติดต่อกับเขาอยู่ในขณะนี้แสดงว่าเขาไม่ได้รักแค่ละขายอะไรมาก่อนเลยขณะที่ผ่านขึ้นมาบนเนินนั่น เราไม่รู้ว่าเป็นไอ้งาดำตัวเดียวกับพี่กระเหรี่ยงสามคนนั่นล่าเราฟังหรือเปล่าแต่มันก็มีงาเป็นสีดำจริงๆอย่างแท้จริงผิดแปลกไปกว่าช้างทุกตัวนในโลกนี้ขนาดใหญ่มากจริงๆน่าละพินยังกับภูเขาเคลื่อนที่ขณะที่วิ่งสวนทางตามก้อนหินลงมาโซดิีที่พวกเราต่างหลบหินแยกย้ายกันอยู่และหมอบตัวนิ่งเพื่อให้มองทำให้มันมองเราไม่เห็นและมันก็วิ่งลงเนินเข้าป่าหายลับไป ไม่มีพวกเราคนใดยิงมันได้ทันเลยเพราะอะไรคนหลุดมือกันไปหมดแม้แต่ชีวิตก็แทบจะเอากันไม่รอดตอนที่หนีหินใหญ่ก้อนนั้นทุกคนไม่ได้รับอันตรายบาเจ็บสาหักอะไรมีแต่หัวแตกถลอกบอบเปิดกันบ้างเล็ก น, น้อยเท่านั้นระหว่างซึ่งตัวหลบขอบคุณสวรรค์ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยที่เกิดขึ้นกับพวกท่านด้านหลังผมกำลังมีเรื่องจําเป็นติดพันอยู่โชคดีมากแล้วที่ทุกคนไม่เป็นอันตรายอะไรมากถ้งางานมันมีสีดําจริงมันก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่พวกเกรียงเล่าให้ฟังนั่นแหละ แสดงว่าพวกท่านมีโอกาสได้เห็นมันชัดเจนแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้เห็นเลยมันแอบตื้ตรงช ง, งอนหินริมปากทางที่พวกท่านใส่ขึ้นมาเด็ครับใช่หลักฐานมันบอกชัดเช่นนั้นเราทั้งหมดยังแปลกใจว่าเหตุใดคุณร่วงหน้าขึ้นมาก่อนแล้วแต่ทำไมถึงไม่เห็นมันบ้างคุณไม่เห็นมันเลยลึกพลศรีนาล้องถามไปในประโยคแรกของหล่อนระหว่างที่เปิดรับฟังอยู่ผมไม่เห็นเลยและแค่และคายอะไรมันเลยแสงว่ามันจะต้องคอยดักเพื่อจะงัดหินใสพวกคุณ มันจะต้องแอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วและระมัดระวังไม่ให้ผมเห็นตัวมันผมเองก็ไม่ทันสังเกตอะไรมากเพราะสิ่งอื่นน่าสนใจกว่าแต่มันก็มีตัวเดียวเท่านั้นหรือครับที่เล่นสวนลงมานะี่ะตัวเดียวโดดๆเลยไม่มีลูกน้องบริวารอยู่กับมันด้วยเลยแล่นลงป่าทึบหายไปแล้วพวกเราทั้งหมดเห็นมันในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีท่างนั้นแต่ก็เห็นได้ชัดนะยืนยันได้ตรงกันหมดว่ามันเป็นช้างที่มีงาซีดาแน่นอน ผมจะยิงมันด้วยปืนสั้นแล้วแต่บอมห้ามไว้ทันและโชคดีแล้วที่บอมห้ามไว้ถ้าผมยิงมันเข้ามันก็คงจะวิ่งเข้ามากระทืบผมแบนตะตะแยแน่ตอนนั้นบังเ อ, อิญมันมองไม่เห็นพวกเราคนใดคนหนึ่งเลยและคงจะไม่ต้องการจะเป็นเป้าให้อยู่นานเกินไปนักพอไดนตามหลังก้อนหินลงมาและวช่วยโอกาสลงป่าด้านล่างหายไปเลยถ้ามีไร้ข้นติดมืออยู่บ้างสักคนหนึ่งคงจะได้ยินแล้วน่าเสียดายและโอกาสละเกินคิดเล่าทางวิญสมบู ส, บ, ส, บ, าสาบานสาบชาแช่งแตกเป็นบท ไม่ต้องเสียดายหรอกโอกาสเรกครั้บเปิดมันไปก่อนไม่ช้าไม่นานเราจะต้องได้ประจันหน้ากับมันอีกแน่นอนพวกคุณคนอันตรายได้ก็นับว่าโชคดีที่สุดแล้วผมนะี่ยไม่ได้เงียบหายไปเฉยๆตั้งใจจะส่งข่าวอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกแล้วเหตุการณ์ฉุนระหูที่เกิดขึ้นทางด้านผมทําให้วิญญาณตกหายระหว่างทางเพื่งน้นพีเก็บได้เดี๋ยวนี้เอง ไอพินไพรวันบอกมาโดยเร็วแม่แม้ทุกคนในขณะนี้จะยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ก็ใจเชื้อตวาดโกรขึ้นแล้วเมื่อได้รับสัญ ญ, ญาณพูดโต้อตอบจากวิทยุแสดงว่าเขาสงบติเรียบร้อยดีและปลอดภัยแน่นอนคุนยังไม่ได้บอกเราเลยว่าขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นทางด้านคุณเ่ว น, นผู้ถามขึ้นบ้างผมอยู่ไม่ห่างไกลาจากบริเวณยอดของป่าหินที่พวกท่านยืนอยู่ในขณะนี้กันอยู่ในขณะนี้นักหรอกครับประมาณไม่เกินหนึ่งไมล์ทางด้านเหนื้อของเนินแล้วยิงอะไรสองนัดเมื่อกี้นี้ คริสซักสวนไปทันทีก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคเสื่อได้ซ้ําเสียงเราพินนิ่งไปกึ่งอึดใจอย่างมีเล่ในชวนคิดทุกคนบนเนินที่ถือวิทยุอยู่ในขณะนี้รวมทั้งบุญคำโดยต่างมองหน้ากันเองได้ยินไหมไพรวนันเราร้อนใจต้องการรู้ว่าคุณยิงอะไรสองนัดทําไมไม่ตอบนั่นคุณทําอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตายไปแล้วคราวนี้เสียงของคริสเกือบจะเป็นตะหวาดเพราะความรุ่นร้อนใจเลยที่จะกล่าวมีเสียงหัวเราะเบาๆแสดงว่า รู้ในอารมณ์ของผู้ถามแล้วก็ตอบมาเรียบๆว่าผมยังมีชีวิตอยู่พร้อมด้วยอาการของร่างกายที่ครบสามสิบสองครับมิสรูบินแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าสมควรจะบอกท่านทั้งหลายว่ายังไรดีเก<อ>ี่ยวกับกระสุนสองนัดผมอยากจะเชิญให้ทุกท่านได้มาเห็นกับตาตัวเองในสิ่งแปลกประหลาดชนิดหนึ่งเห็นด้วยตาก็คงจะดีกว่าที่ผมจะบอกให้ฟังถ้างนั้นพวกเราจะตามลงไปที่คุณเดียวนี่ บอกทิศทางหน่อยสิหัวนหน้าคณะพูดโดยเร็วเชิญครับตามลงมาได้เลยแต่ขอให้ผมได้พูดกับบุญคําหน่อยได้เราจะให้คุณพูดกับบุญคําแต่บอกก่อนนะต้องพูดกันในภาษาไทยที่เราฟังรู้เรื่องด้วยห้ามพูดด้วยภาษาชนเผ่าใดทั้งสิน้นคริสพูดเฉียบขาดอย่างเท่าทันอยู่ก่อนแล้วตกลงผมจะพูดกับบุญคําในภาษาที่พวกคุณส่วนมากฟังเข้าใจเสียงตอบมาคริสพยักหน้า กับหัวหน้างานของหล่อนซึ่งยืนอยู่ใกล้บุญคําที่สุดด็ตอร์สแซนลีก็ยืนวทิทยุทรงเข้าไปที่ปากของบุญคําทันทีนายนี่ผมบุญคําพูดตะเภากรอกเสียงลงไปไอ้งาดําแน่หรือที่เห็นกันเมื่อกี้นี้ชัดเลยครับมันลาบุญคํายืนยันได้อีกคนหนึ่งเอาละบุญคํานําพวกเจ้านายทุกคนลงมาที่ฉันได้เลยขณะนี้ฉันอยู่ในดงทึบด้านล่างทิศเหนือของเนินหินลูกนั้น จะมีทางด่านเลาะมาตามป่าหินก่อนระยะหนึ่งให้สังเกตที่ใบไม้และอรอยลากซึ่งจะปรากฏอยู่เป็นระยะลงพอลงถึงตีนเนินนะให้ระวังต่อหลุมกับรังตังช้างที่มีอยู่บริเวณหนึ่งก่อนจะเข้ามาในดงของต้นยางน่องดูแลเจ้านายทุกคนให้ดีเตือนให้เขาระวังตัวสุดขีดในขณะที่ผ่านเขตต่อหลุมและดงรังตังช้างจะให้ปลอดภัยที่สุดบุญคําควรเดินนําหน้าและให้เขาเดินเรียงเดี่ยวตามหลัง อย่าให้ใครแยกเดินออกไปทางหนึ่งนอกจากคอยตามรอยเท้าของบุญคําไว้เข้าใจไหมต่อหลุมกับลังตังช้างแต่เท่าร้องลั่นลืมตาโตเสียงตอบมาว่าเออรู้ตัวแล้วก็ระวังไว้ด้วยอย่าให้ใครพลาดถัดตกตกบ่อต่อลุมลึกกระทบกับใบลังตังช้างเป็นอันขาดทุกคนของฝ่ายนายจ้างขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของบุญคําคนเดียวให้เขาเปิดวิทยุประจําตัวไว้ด้วยถ้าสงสัยหรือไม่แน่ใจอย่างไร ถามมาได้ทันทีตอนนี้เลิกกันก่อนบุญคำโบกมือกับไฟในจ้างทุกคนและออกเดินนำารี้วไปตามช่องทางด่านทางด้านเหนือของแอ่งน้ำซึ่งเห็นใบไม้สดๆดลวนอยู่นั้นทันทีด็อกเตอร์สแตนลีย์ประกบชิดตัวแกอย่างชนิดเดินเคียงคู่กันพร้อมกับถามว่าประพินสั่งให้ระวังอะไรที่พูดจันตะกี้นี้น่ะต่อหลุมกาลังตังช้างแกบอกด้วนด้วนซึ่งไม่ช่วยให้ฝ่ายอเมริกันเข้าใจอะไรได้เลย ก็นั่นน่ะสิตอหลุมกับรังตังช้างหมายถึงอะไรแตเท่าเอา น, นิ้วเกาหั ว, หวแรกรแกรกทำหน้าพิ ก, กลแกไม่รู้จะอธิบายให้นายฟลางพวกนั้นเข้าใจได้อย่างไร ท, งทั้งทั้งที่แทบทุกคนเป็นก็พูดภาษาไทยกับแกได้ทั้งนั้นหันไปอีกด้านเห็นเชิดวุตรเร่งสีเท้าเดินเคียงมาด้วยเลยบุ้ยส่งไปให้ในายทหารรู้จากไม้ต่อหลุมกับรังตังช้างนะ่ะบุญทําไม่รู้จะบอกกับนายห้างได้ยังไงถูกถ้านายทหารรู้ก็ช่วยส่งภาษาบอกกันทีเถอะ เชิดวุดหันไปทางกลุ่มอเมริกันทั้งสี่ผมพอจะเข้าใจที่ระพินเตือนให้พวกเราระวังตัวเกี่ยวกับสองอย่างนี่บ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นกับตาตัวเองสักทีแม้จะเดินป่ามาบ้างแล้วก็ตามบางทีอาจจะเป็นเพราะป่าที่ผมท่องเที่ยวล่าสัตว์นั้นมันยังไม่ลึกพอก็ได้เคยได้ยินความร้ายกาจของมันเท่าที่พวกพรานเล่าให้ฟังเท่านั้นตอหลมุมเป็นแมลงมีพิษชนิดหนึ่งประเภทเดียวกับผึ้งแต่ตัวใหญ่กว่ามากและมีพิษจากเล็กในที่ใช้ต่อยเนื้อกว่ามาก จะพวกนี้จะมีรังโดยขุดโพรงอยู่ตามพื้นดินแล้วใช้ใบไม้หรือดินร่วนซุยปิดอัมพรางไว้ปากหลุมอาจเป็นหลุมใหญ่หรือหลุมเล็กก็สุดแล้วแต่ขนาดรังของมันตามปกติในหลุมของพวกมันจะมีจํานวนกันเป็นพันๆตัวที่ปิดอัมพรางปากหลุมไว้ก็เพื่อล่อเหยือ่ออันเป็นสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ไม่รู้มาก่อนให้เดินพลาดตกลงไปและพวกมันก็จะลุมกันต่อยโดยใช้เหล็กในที่ก้นทิ่มแทง จนเหยือถึงแก่ความตายอย่างกระทันหันจากนั้นก็จะลุมกันกัดแทะเนื้อเป็นอาหารเสียงเล่ากันว่าถ้าเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่พวกมันอยู่กันมากๆอ า, อาจเพียงชั่วโมงอาจเพียงชั่วไม่กี่พริบตาเท่านั้นเหยอะจะถูกลุมแทะกินเดือแต่กกระดูกแบบเดียวกับการลุมกัดกินเหยื่อของปลาปิลันดา้าตามลุ่มน้ำอเมซอนนั่นแหละและเจ้าสัตว์ประเภทมแมลงที่เรียกกันว่า ต่อหลุมนี้ถ้าสร้างลังขุดโพรงอยู่ที่ไหนก็มักจะมีต่อกันอยู่เป็นดงแทบจะเรียกว่าทั้งแถบทีเดียวพวกพรานที่ชำนาญจะสังเกตจากสิ่งแวดล้อมและรู้ได้โดยความชำนาญของเขาและถ้าจําเป็นจะต้องเดินผ่านไปนในบริเวณที่มันสร้างหลุมพผางไว้ก็จะเดินอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เหยียบพลัดลงไปเป็นเหยื่อของมันหวัวหน้าคณะฟังได้อาการสงบและพยักหน้ารับทราบแต่คีตกับอีกสองสาอุทานล่าออกมาด้วยความตกใจขวัญห น, นีดีฝอ ตายลาเป็นอย่างนั้นจริงๆลูงวูดเบลถามเลวปรือเป็นจริงหรือไม่จริงผมก็บอกแล้วว่ายัางไม่เคยเห็นกับตามาก่อนแต่เราก็ได้รับรายงานเตือนให้ระวังจากเจ้าตัวสัตว์ชนิดนั้นโดยระพินเมยยกนี่เองทุกคนก็ได้ยินแล้วไม่ใช่หรือแล้วอะไรนะลังตังช้างคริสถามขึ้นบ้างขณะนั้นทุกคนเดินบ่ายหน้าลงต่ําโดยเลาะลัดไปตามแนวหินที่ผุดโปรอยู่ทั่วไปตามการนําของบุญคํา รังตังช้างเป็นใบของพืชลมลุกชนิดหนึ่งผลตามใบของมันเป็นพิษต่อผิวหนังอย่างแรงถ้าเผลอไปกระทบหรือถูกต้องเข้ า, าก็จะคั น, นเคยอปวดแสบปวดร้อนทาลุนมากต้นรังตังช้างก็มักจะขึ้นรวมหมู่กันอยู่เป็นดงเหมือนกันยิ่งกว่าใบาไม้มีพิษคันที่เรียกกันว่าตําแยาสักจิตเท้าทั้งต่อหลุมและต้นรังตังช้างเป็นสิ่งที่เราทั้งหมดจะต้องระวังตัวแจและหลีก่านมันให้ได้ มันดักหน้าขวางทิศทางที่เรากำลังจะมุ่งไปพบกับประพินในขณะนี้และเขาก็ได้เตือนให้ทราบเพื่อการระวังตัวฮู้เสียงคีดร้องลั่นออกมาไอเสือนั่นของเราทำไมถึงสั ป, ปะดนดเข้าไปอยู่ในดงอันตรายบ้าบอคอแตกแบบนี้แล้วดันเรียกพวกเราให้ไปพบเขาระยำจริ ง, <S <S งเขาบอกว่าเขามีอะไรจะให้เราดูที่นั่นสแตนลีย์ว่าไม่แสดงอาการสะดุ้งสะเทือนอะไรทั้งสิ้นปิดกับคนอื่น ที่เริ่มรู้สึกอึดอัดลำบากใจเมื่อได้รับคำอธิบายจากเชิดวุดถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องตามไปพบเขาและก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเมื่อมีบุญคำนำทางเช่นนี้และนี่แหละคือภัยจากธรรมชาติของป่าที่ระพินเคยบอกเราไว้แล้วล่วงหน้าซึ่งครั้งแรกพวกเรายังไม่เข้าใจนะด็อเตอร์สแตนลีย์คุณก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายที่สุด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 ชั่วไม่นานบุญคำก็นำทุกคนไตเนินหินด้านเหนือของแอ่งน้ำซึ่งจะสังเกตเห็นใบไม้สดๆที่มักจะหล่นให้เห็นอยู่เป็นระยะอันเป็นเครื่องนำทางชี้บอกได้เป็นอย่างดีลงมาถึงบริเวณที่ลาบลุ่มตำแหน่งหนึ่งเห็นพงไม้เตี้ยๆและวัชพืชขึ้นแนวเหมือนป่าละเมาะเล็กๆก่อนที่จะแลเห็นดงทึบทะมึนเบื้องหน้าซึ่งหาออกไปเพียงไม่เกินร้อยหลาข้างหน้าเมื่อนั้นเองแกก็โบกมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณ ให้ทุกคนหยุดชะงักลงก่อนตัวเองก้าวไปด้านหน้ากว่าตามองอย่างละเอียดไปรอบๆทั้งตามลักษณะของพื้นและพงไม้แล้วหันมาบอกกับทุกคนว่าเข้าแถวเรียงหนึ่งเดินตามหลังบุญคำมาพยายามเหยียบตามรอยเท้าบุญคำไว้อย่าก้าวแยกผิดทางออกไปเลยเป็นอันขาดบุญคำจะเดินช้าๆให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างคนที่ได้รับการฝึกระเบียบวินัยแบบทหารมาเป็นอย่างดีแล้วอเมริกันกลุ่มนั้น ปเปลี่ยนจากสภาพที่ยืนรวมหมู่กันอยู่กลายมาเป็นตั้งแถวทันทีแซนลี่กำหนดให้คีดเป็นคนที่สองรองจากบุญคำเพื่อให้คอยสืบเท้าตามหลังแกไปก่อนเพราะทราบในนิสัยบูมบามทะเลอทะล่าของสหายผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีถัดมาเป็นอิสเบลคริสตินาและเชิร์ดวูดส่วนตนเองเดินคุมหยุดท้ายขบวนก่อนการเคลื่อนไหวเดินผ่านพื้นที่บริเวณนั้น หัวหน้าคณะส่งมอบวิทยุของตนเองให้บุญคำชั่วคราวพร้อมกับบอกว่าเอาบุญคำเอาวิทยุนี่ไว้ก่อนเผื่อจําเป็นเกิดไม่แน่ใจอย่างไรก็จะได้ติดต่อกับพรานใหญ่ได้พยายามสอบถามเขาว่าหนทางด้านไหนที่น่าจะปลอดภัยที่สุดให้เขาคอยแนะนําให้คงจะสะดวกกว่าที่บุญคำจะเสี่ยงนําทางไปเองนั่นเป็นความรอบครอบยังสูงของหัวหน้าคณะแต่ถ้าหัวเราะเห็นเหงือกแต่ก็รับวิทยุมาโดยดีปาก็บอกว่า ไม่ต้องถามพรานใหญ่ให้เสียเวลาหรอกบุญคําพาในห้างไปได้เชื่ อ, ร, อรับรองว่าไม่ให้ใครตามลงไปในหลุมของต่อหรอกถ้าตกบุญคําก็ตกก่อนถ้าบุญคําเสียท่าในห้างคีตก็รีบช่วยชุดขึ้นมาเร็วๆก็แล้วกันอย่าทันให้บุญคำเหลือแต่กระดูกประโยคหลังแกหันมาพูดกับพันเอกลาลี่คีตซึ่งฟังไม่สู้จะรู้เรื่องนะักต้องหันไปถามเบลพอหล่อนแปลให้ฟังนายนายนั้นก็เอามือตบไหล่จัพรานเท่าเบาๆ แต่เท่าอย่าล้อเล่นน่ะพวกเราอย่งใจไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วยสภาพตอนนี้เราทุกคนเหมือนเดินไปในสนามของกับระเบิดงั้นแหละโอเคพวกเราพร้อมแล้วเดินหน้าได้เสียงแซนลียร้องบอกมาจากเบื้องหลังเมื่อเห็นหัวขบวนอย่างโอเออยู่สมุนขวาของราพินก็ก้าออกเดินในทันทีทุกคนทุกคนเดินเรียงเดี่ยวตามมาในลักษณะเข้าแถวเว้นระยะห่างกันหนึ่งช่วงแขนโดยพยายามซ้ํารอยเท้าที่เหยียบไว้ของคนข้างหน้าทุกฝีก้าว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 อันมีลักษณะราบเรียบผิดปกติไปซึ่งมักจะเห็นอยู่เป็นระยะสองฝากทางที่พากันเดินเข้าแถวไปราวกับงูกินหางกลางชี้มือให้ทุกคนดูโดยไม่พูดอะไรบางขณะเมื่อมาจนมุมเอายังบริเวณที่ขวางอยู่เบื้องหน้าซึ่งลักษณะสอพิรุธผิดปกติแกก็จะหยุดชะงงมองอย่างระวังตัวแจไปรอบด้านบางทีก็ลงทุนนาทุกคนบุกแวกไปในพงไม้แทนที่จะอาศัยทางเดินที่ดูว่าเรียบโลงสะดวกสบายนั้น หรือบางทีหมดทางเข้าจริงๆก็จะใช้วิธีถอยหลังกลับมาตั้งต้นที่จุดใหม่เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงต่อไปดองเบื้องหน้าที่ห่างไม่เกินร้อยหลาทั้งหมดใช้เวลาจดฝีเท้ากันไปไม่ผิดอะไรกับเดินเข้าบริเวณสนามกับระเบิดจริงตามที่คิดพูดไว้การคืบหน้าทําให้ช้าลงไปกว่าเท่าที่ควรทั้งหมดเหงื่อแตกซิกเมื่อตรหนักได้ดีว่าทุกสี่เก้าที่เยียบยั่งลงไปชีวิตแขวนอยู่แค่จมูกของมัจจุราช อันชวนสยองจีดสุดและกลายเป็นคำถามเร่งร้าอยู่ในใจยิ่งขึ้นกว่าพรานใหญ่ยิ่งขึ้นว่าพรานใหญ่ระพินบุกด่านดงนี้ติดตามอะไรเข้าไปกันแน่จนเป็นผลให้เกิดเสีงยงไรเฟิลลั่นขึ้นสองนัดซึ่งเป็นปริศนาอยู่ในขณะนี้แล้วก็อยากจะตามไปให้ถึงที่เพื่อรู้เหตุการณ์เสียโดยเร็วครั้งหนึ่งขณะที่ผ่านไปในดงระหว่างครั้งหนึ่งขณะที่ผ่านไปในระหว่าง ผิวพื้นที่ดูว่ามีใบไม้แห้งถูกเกลี่ยวเวราเปรียบราวกับมีใครมาเจตนาปูเรียงไว้นั้นความขี้สงสัยและอยากรู้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาของคีดทำให้เขาสกิดหลังบุญคำแล้วชี้มือไปอยังตำแหน่งที่ยืนห่างกันเพียงแค่วาเดียวนั้นสีบุยใบยเหมือนจะถามให้แน่ใจว่าภายใต้ใบไม้ที่ปกคลุมอยู่นั้นเป็นพรงของตอหลุมจริงหรือเปล่าตาเท่าเข้าใจเจตนานั้นดี และก็เป็นคนจริงเหมือนกันพยักหน้ารับพร้อมกับย่องเข้าไปนั่งยองๆอยู่ชิดปากปากหลุมหากิ่งไม้แห้งอันยาวประมาณช่วงแขนดุ่นเท่านิ้วก้อยค่อยๆแย่ลงไปในพื้นนั้นทีละน้อยให้ทุกคนดูปรากฏว่าแกสามารถจะแย่กิ่งไม้ยาวกิ่งนั้นลงไปได้ลึกจนเกือบจะสุดมือที่ถืออยู่ แสดงว่ามีหลุมหรือโพรงซ่อนอยู่ใต้สิ่งปกคลุมนั้นจริงซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ามันจะลึกสักเท่าไรเพราะสุดปลายไม้ที่แย่ลงไปแล้วยังไม่พบก้นหลุมแล้วตัดเท่าก็ตีภาษาใบกับคิดทำนองท้าให้ก้าวเข้ามาเหยียบทดลองดูในายผมทรงลานบินทําตาเหลือกโบกมือปฏิเสธโดยเร็วพร้อมกับพอลลงอย่างน่าสยดสยองของจริงนะนายห้าไม่ใช่ของที่จะมาโกหกกันเล่น ผัวเดียวเท่านั้นน่ะถ้าล่วงลงไปรับรองนับหนึ่งยังไม่ถึงสิบแล้วแต่กระดูกเอาหูแนบฟังอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงพวกมันคุยกันพึมพำแซดไปหมดอยู่นี่ไม่เชื่อมาลองฟังดูสิแกบอกมาเบาๆแล้วเอื้อมมือมาฉุดมือคีตเพื่อให้หมอบลงเอาหูแนบดินฟังอย่างแกในคิดสะบัดมือโดยเร็วระรำและรักร้องโน้ no, ล่านแม้จะอยู่ในภาวะตึงเครียดทางอารมณ์อย่างเต็มที่ทุกคนยังอดหัวเราะในอาการของบุญคํากับคีตเสียม่ได้ ช้าอยู่นั่นแหละบุญคําหาทางรีบไปให้พ้นจากบริเวณนรกนี้เจ็ดโดยเร็วเถอะคริสร้องเตือนมาแต่เท่าจอมโจกแห่งไพรกว้างจึงลุกขึ้นโดยทิ้งไม้ที่ค่อยๆบรรจงแย่ลงไปให้ติดคาอยู่ในลักษณะเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไหวตัวกระโตกกระตากจากไอ้พวกตอหลุมซึ่งยังสงบกันอยู่ใต้พื้นดินแล้วย่องนําต่อไปบัดนี้ฝ่ายอเมริกันทั้งสี่และแม้แต่เชิดวุฒก็ไม่ต้องการจะอยากรู้อยากเห็น หรพิสูจน์อะไรเกี่ยวกับสัตว์ร้ายใต้แผ่นดินที่อยู่กันเป็นหลุมนั้นต่อไปอีกแล้วมีความคิดที่จะให้ผ่านพ้นบริเวณพวกมันไปเสียโดยเร็วเป็นเวลาเกือบสิบนาทีเต็มๆบุญคำจึงถอนใจออกมาได้โล่ง อ, อกเมื่อมาหยุดยืนอยู่ใกล้เทียงกับชายดงทึบแลเห็นมืดทมึอนอยู่ข้างหน้าขณะนั้นเองเสียงระพินก็ดังมาจากวิทยุทุกเครื่องที่ประจำตัวแต่ละบุคคลอยู่ในขณะนี้มาถึงไหนกันแล้วทําไมถึงชานะ ทั้งหมดไหวตัวด้วยความตื่นเต้นยินดีทันทีบุญคํายกวิทยุในมือขึ้นนายตอนนี้บุญคําพาพวกในห้างพ้นบริเวณต่อลุมออกมาแล้วแต่ยังไม่เห็นดงของต้นรังตังช้างไม่รู้จะตัดเข้าทางไหนทางด้านไหนดีตอนนี้นายอยู่ที่ไหนเสียงจุปากลั่นมาแล้วกันสงสัยจะเดินตามมาผิดเส้นทางใช่แล้วบุญคําถ้ามาตามที่ฉันบอกจะผ่านบริเวณต่อลุมเพียงไม่กี่หลุมเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นดงรังตังช้าง เห็นเต็มพืชไปหมดนี่แปลว่าเดินเฉียงไปทางด้านตะวันออกละสิตาเท่าทำหน้าเลิกลกักแง้มมองดูตะวันกลางฟ้าเหมือนจะหาอาทิตย์แอนลี่ก็รีบพูดโดยเร็วโดยขอวิทยุไปจากมือเชิดบุตรประพิ์ที่ผมพูดนะเราใช้เวลานานมากในการผ่านบริเวณของต่อหลุมซึ่งพบอยู่มากมายเต็มไปหมดบุญคาพาเดินเฉียดปากหลุมของมันไปแต่ละหลุมทีเดียวไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบหลุมขนาดใหญ่ทั้งนั้น เราตามรอยคุณได้แต่เฉพาะขณะที่เดินลงเนินเท่านั้นพอมาถึงที่โล่งคําหาอะไรไม่พบแล้วนอกจากบุญคำจะพยายามหาทางเองจากคำบอกเล่าของคุณผมบอกเขาแล้วว่าให้ยึดด้านเหนือตลอดนี่แปลว่าคงจะเบี่ยงออกทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่เป็นไรครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองใจเย็นๆไว้บุญคำประโยคหลังเขาเรียกคนของเขาครับนายจะอยู่ที่ไหนก็ตามในขณะนี้หันหน้าเข้าดง ทำมุมให้ตรงกับทิศเหนือจะเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสูงโดดเดี่ยวกับทุกต้นพุ่มด้านบนแบ่งชั้นเป็นสามพุ่มเหมือนเหมือนฉัดเห็นหรื อ, อยังอ้อเห็นแล้วนายนั่นแหละปัดตรงไปที่ตำแหน่งนั้นได้เลยฉันกําลังยืนอยู่ที่ปลวกใหญ่ริมทางด่ดานห่างจากโคนต้นไม้นั้นไม่มากนะักพอมาถึงก็จะเห็นกันเองไม่ต้องรีบด่วนเกินไปนะักย้าอีกครั้ง ระวังใบลังตังช้างอาจมีมากหรือน้อยก็สุดแล้วแต่ทางที่บุญคำจะบุกเข้ามาได้การในห้างบุญคำรู้จุดหมายแน่นอนแล้วบุญคำร้องออกมาอย่างยินดีโบกมือและออกนำอ้าวตรงไปยังจุดหมายนั้นทันทีผลทางที่ตัดฐานไปนั้นมีใบไม้ประเภทเป็นพิษคันอย่างรุนแรงขึ้นอยู่บ้างประปรายแกชี้ให้คณะทุกคนดูและเตือนใหระวังไม่ให้เช็ดเข้าไปใกล้ชั่วไม่นานทั้งคณะ ก็เย็บเข้าสู่ชายดงทึบอันครึ้มสลัวเต็มไปด้วยเถาวัลย์และไม้ใหญ่น้อยประเภทเบญจพรรณกลิ่นของใบไม้เน่าที่ทับโถมกันชั่วกัดชั่วกันทำให้รู้สึกตระคั่นตระคอและอึดอัดอย่างไรบอกไม่ถูกจำพวกเหตรามองเห็นขึ้นอยู่ตามพื้นและโคนไม้ทั่วไปบุญคำนำบุกไปตามกองใบไม้ที่ซุ้มกันหนาทึบพอเดินย่าก็จมกับถึงเขานั้นไปเบื้องหน้า พร้อมกับร้องวู้วู้ไปตลอดทางไม่ดังนะพููเดียวก็ได้ยินเสียงตอบออกมาจากวิทยุว่าอย่าร้องเป็นชนีอยู่งั้นเลยบุญคำฉันอยู่ตรงนี้เองแหละจ้ายมือข้างจอมปลวกใหญ่ทุกคนหันขวับก็มองเห็นร่างของสุภาพบุรุษไพรยืนสูบบุรี่อยู่แล้วตรงมูลดินสูงตำแหน่งหนึ่งไม่ห่างออกไปเท่าใดนะักต่างอุทานออกมาด้วยความดีใจพูกันเข้าไปทันทีพร้อมกับร้องทักจอมพรานพอนไรเฟิลไว้แขนข้างหนึ่ง หน้าของเขาอยู่ในอาการปกติยากที่จะอ่านได้เหมือนเคยแต่ในขณะที่ทั้งหมดพากันตรงเข้าไปไลยล้อมนั้นเขายิ้มให้นิดหนึง่งมองสํารวจดูคนเหล่านั้นซึ่งเห็นชัดว่ามีริ้วรอยของการหัวร้างข้างแตกทะเลาะกอกเปิดและเสื้อผ้าที่ขาดกันกระรุ่งกระริ่งแทบทุกคนแม้กระทั่งบุญคําเองแต่ก็ไม่ถามอะไรทั้งสิ้นเพราะได้ทราบข่าวความฉุกระหุกที่พวกนั้นเผชิญหน้ากับไอ้งาดําจากการโต้อตอบทางวิทยุล่วงหน้าแล้ว บริเวณที่เขายืนอยู่นอกจากเบื้องบนสูงขึ้นไปซึ่งถูกบดบังไว้ได้วยกิ่งไม้ขนาดใหญ่คลุมเป็นหลังคาอยู่แล้วมันเป็นดงของต้นไม้ชนิดหนึง่งมีขนาดลำต้นสูงไม่ขนาดลำต้นไม่สูงใหญ่นะขึ้นอยู่เป็นดงก่อนที่ใครทุกคนจะได้เ อ, อ่ยคําใดออกมาพรานใหญ่ส่งกระติกน้ําส่วนตัวของเขาไปให้สองสาวก่อนเหมือนจะรู้ใจอยู่แล้วคริสเป็นคนรับมาเป็นคนแรกแต่ส่งไปให้เบลก่อน แม่ผมแดงพึมพำอะไรออกมาจากลําคออันแห้งผาะแล้วกรอกน้ำดื่มสามสี่อึกจากนั้นริสจึงรับไปดื่มกลัวคอเล็กน้อยต่อไปจึงส่งเวียนไปยังคีดแดนลี่และเชิดบุตรซึ่งดื่มกันพอประทังกระหายเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยความร้อนผสมกับความเกรงอันเกิดจากที่ต้องระมัดระวังตัวกันทุกสี่เก้าย่างขณะเดินผ่านเขตต่อหลุมทาให้คนเหล่านั้นอิดโรยเหนื่อยอ่อนแทบจะหมดแรง โชคดีมากที่พวกท่านทุกคนไม่ได้รับอันตรายมากมายอะไรขณะที่ถูกปริ่งก้อนหินเข้าใส่เขาเอ่ยยิ้มยิ้มขึ้นเป็นประโยคแรกแต่ก็โชคดีมากที่สุดที่พวกเราได้มาพบเห็นคุณในสภาพที่ปกติเรียบร้อยทุกอย่างภายหลังจากได้ยินเสียงไรเฟิลสองนัดแล้วเงียบฉี่ไปเลยเรียกวิทยุก็ไม่ได้รับตอบเอาละเพื่อนยากเดี๋ยวนี้เราตามมาพบคุณพร้อมหน้าแล้วพร้อมทั้งปัญหามากมายเหลือเกินที่ต้องการจะรู้จักคุณ หัวหน้าคณะพูดโดยเร็วจ้องหน้าเขาเขมงทุกคนเห็นกิ่งไม้สดๆที่ถูกโยนลงไปแช่ยอยู่ในแอ่งบนเนินนั่นแล้วไม่ใช่หรือใช่เราเห็นชีตบอกหอบๆเป่าลมออกจากปากไล่ความอบอ้าวภายในระพินไพยวันไม่ก่าวอะไรในขณะนั้นหากใจชี้มือเป็นมุม45องศาจากตำแหน่งที่เขายือนอยู่ขึ้นไปยังกิ่งตอนบนของต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ห่างออกไปนะัก ทั้งหมดเหลียวตามแล้วจ้องอุทานออกมาพร้อมกันว่ากิ่งไม้มีรอยหักสด ๆ, สดๆเขาออกเดินนำทุกคนตรงไปยังโคนต้นต่างตามกันเข้าไปทั้งหมดพร้อมกับแงนดูยางบางส่วนของมันยังหยดลงมาพื้นเบื้องล่างรอยกิ่งที่หักหรุอฉีกระชากหลุดไปจากลาต้นนั้นเป็นกิ่งแยกสาขาของแกนลำต้นมีขนาดเกือบเท่าโคนขาอ่อนแสดงว่าเป็นกิ่งใหญ่แข็งแรงมาก เมื่อรพินนำมาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นโดยใช้มือกันไม่ให้ใครเข้าไปยืนอยู่ใต้บริเวณค่ะซึ่งยังมีน้ำบางๆหยดอยู่นานๆครั้งเขาใช้ไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือจับโคลนพ่านท้ายไว้แล้วชูสูงขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ถูกหนักให้ทุกคนเห็นซึ่งปรากฏว่าภายหลังเมื่อส่งไรเฟิลวัดเทียบขึ้นไปแล้วมันมีระดับสูงกว่าอีกตั้งสามสี่ฟิต แตนลี่เอามือลูบปลายคางแงนดูคนอื่นๆก็จ้องของโมดคิว้วแล้วหันมาจับที่หน้าพรานใหญ่เป็นตาเดียวถ้าหากว่าเราจะไปเอากิ่งไม้ที่พวกคุณทุกคนมองเห็นทิ้งแค่อยู่ในแอ่งน้ําบนเนินกิ่งนั้นนํากลับมาต่อกับรอยหกักจากกิ่งของต้นนี้ก็จะพิสูจน์ได้ทันทีว่ามันเป็นกิ่งเดียวกันมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งภาษาทางพฤกษ ศ, ศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรผมไม่ทราบแต่ทราบและคุ้นเคยกับมันดีว่าเป็นไม้ที่มียางมาก และยาของมันเป็นพิษเบื่อเมาอย่างรุนแรงที่สุดตำแหน่งที่เราเห็นรอยหักอยู่นี่ก็ดีด้วยลักษณะของมันที่ถูกนําไปทิ้งแค่ในแอ่งน้ํานั่นก็ดีเป็นระยะเวลาสดสดร้อนๆอนไม่เกินชั่วโมงมานี่เองจองพรานบอกกับทุกคนซึ่งยังยืนอึ้งงุนงงกันอยู่ชนิดยังไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูกใครเป็นคนหักกิ่งไม้นะั่นและนำเอาไปทิ้งไว้ในแอ่งน้ํามันเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ไม่น้อยทีเดียวแล้วระดับจากที่พวกเรายืนอยู่นี่ก็สูงมาก ก่ว่าประมาณเกือบสิบฟิตจากระดับพื้นอิสเบลค้างออกมาแล้วมันจะต้องหนีแรงยางมหาศาลกิ่งไม้นั่นไม่ใช่เล็กๆเลยคริสโล่งออกมาเร็วปรือแทนคำตอบระพินที่ให้ทุกคนดูพื้นที่รอบๆ บ, บริเวณซึ่งครั้งแรกก็ยังไม่ทันมีใครสังเกตเห็นจากรอยใบไม้ยุยอ่อนนุ่มที่ทับถมกันมานานปรากฏหลุมรอยตีมช้างขนาดมหึมาตัวหนึ่ง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 เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดและพวกท่านก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อกันนะเดี๋ยวนี้นอกจากไอ้งาดาที่เห็นกันแล้วและรอยเท้าที่เห็นอยู่นี่หวังว่าพวกท่านคงจะเชื่อเสียทีบุญคำลองลงไปนั่งในรอยตีนนั่นสิประโยหลังเขาหันไปสั่งคนของเขาตะพรานเท้าสมุนขวากระโดดลงไปนั่งคัดสมากตรงรอยตีนช้างที่เห็นฝังจมอยู่ในกอง ใ, องใบไม้นั่นทันที ปรากฏว่าตัวของแกพลุบลงไปตามรอยที่ย้ำทิ้งไว้นั่นจนถึงเอวแล้วรีบตะเกียก ต, ตะกายลุกขึ้นมาโอ้โหหัวหน้าคณะร้องออกมาเบิกตากว้างมองรอยนั้นเขมงแล้วเหนื่อยเหนื่อยหน้าขึ้นไปยังตำแหน่งกิ่งไม้หักนั่นอีกครั้งละพินนี่คุณหมายความว่าไอ้งาดำที่เล่นสวนเราลงไปเมื่อครู่นี้มันหักกิ่งไม้มีพิษที่นี่แล้วนาไปทิ้งแค่ไว้ในแอ่งน้าหรือ จอมพรานกระโดกปลายดินออกมากรีอาริมฝีปากผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอ้งาดัมาหรือเปล่าแต่จากร่องรอยที่เห็นอยู่นี่บอกได้ว่าเป็นช้างใหญ่ตัวหนึ่งก็เจ้าของรอยตีนที่เห็นอยู่นี่แหละได้มาหากกิ่งไม้มีพิษต้นนี้แล้วใช้งวงจับกิ่งที่หักนําขึ้นไปทิ้งไว้ในแอ่งน้ําบนเนินเพื่อทําน้ําแอ่งนั้นให้กลายเป็นพิษใช้ดื่มกินไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์จนกว่าพิษจะจางหมดไป เป็นการวางยาเบื่อเราหรือใครก็ตามที่ผ่านมาตามเส้นทางนี้เป็นการกระทำที่เต็มไปด้วยแผนชั่วร้ายซึ่งธรรมชาติของช้างธรรมดาจะทำไม่ได้นอกจากมีอะไรโดนใจบังคับอยู่และขณะที่มันมาหักกิ่งไม้นี้จนกระทั่งนำขึ้นไปทิ้งแช่ไว้ในแอ่งจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งอยู่บนคอมันและบังคับมันเหมือนความที่บังคับช้างอะไรสักอย่างหนึ่งคุณหมายถึงอะไรคริส เดวและเชิดบุษถามพรวดขึ้นมาพร้อมกันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวผมจะนำไปให้ท่านดูและเจ้าสิงนั่นเองแหละที่เป็นต้นเหตุของเสียงไรเฟิลสองนัดของผมที่พวกท่านได้ยินผมแน่ใจว่าผมจับหรือหยุดมันไว้ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะเพื่อให้พวกท่านได้มาเห็นกับตาเป็นหลักฐานอยู่ไกลๆนี่เองครับตามผมมากราจบเขากทิ้งบุรีลงกับพื้นชายท็อปเดินป่าขยี้ดับ แล้วเดินนำออกจากบริเวณโคลนไม้ต้นนั้นเข้าสู่เส้นทางด่านพอพ้นเงาพุ่มไม้บางเท่านั้นทั้งหมดที่ตามกันมาเป็นขบวนก็มองไปเห็นสิ่งหนึ่งชนิดที่ทำให้ทุกสายตาที่แลไปพบถึงกับแทบพงะหลังหยุดชงะงักกึกไปหมดราวกับนัดกันไว้พระอรหรันเสียงเชิดวุดอุทานออกมาไม่ดังเกินกระซิบอะไรชนิดหนึ่งแลดูผัดผดในครั้งแรกเหมือนท่อนไม้เก่าๆนอนคว่าหน้าอยู่กลางทางด่าน แต่เมื่อจ้องพินิจก็เห็นว่ามีลักษณะเหมือนซากของมนุษย์ที่อาบยาไว้จนแทบจะกลายสภาพเป็นหินดูเหมือนจะมีอาพรห่อหุ้มร่างอยู่บ้างเหมือนกันแต่ในยามนี้ก็ได้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับซากเสียแล้วดูไม่ผิดหินสลักขณะที่ทั้งหมดเดินตามระพินเข้ามาเห็นนั้นมันห่างแค่สามสี่วาเท่านั้นบุญคาตาเลือกร้องวากออกมาข้ามกลางความเงียบสงัดส่วนอเมริกันสี่คนอยู่ในภาวะตะลึง ไอ้ผีนรกตัวนั้นคริสตีนา่าลุดปากอุทานออกมาจา ก, กริมฝีปากที่พรยเยอะขมุบขมิบระหว่างที่ทุกคนยังยืนนิ่งกับที่จอมพรานเดินช้าๆเข้ามาหยุดอยู่ที่ร่างอันนอนคว่มหน้าดุดท่อนไม้นั้นแล้วยักหน้าเป็นสัญญาณให้ทุกคนเข้ามาใกล้ๆทั้งหมดเคลื่อนเข้ามาล้อมวงดูด้วยความประหลาดใจงุนงงขีดสุดคุณบอกกับผมว่าคุณพอจะจาหน้า และลักษณะของมันได้คริสเขาเอ่ยขึ้นเบาๆมองไปยังคริสและด็อกเตอร์แสตนลี่ผู้ได้เคยประจันหน้ากับไอ้ผีดิบซึ่งนับอายุไม่ได้ตนนั้นมาแล้วยกๆยกเมื่อคืนประเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหน้าของมันขึ้นเพื่อให้คุณตรวจดูแต่ผมแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นคนละตัวกับที่เข้าไปอารวาดในแคมป์เมื่อคืนนี้คริสแตนลี่และทุกคนจ้องขมิง บุญคำเองถึงกับกระโดดเข้าไปนั่งยองๆดูซากนั้นอย่างพินิษฐีท้วนที่สุดท่าทางของตราพานเท่าประหลาดใจเลือที่จะกล่าวยงยหน้าขึ้นมองระพินแล้วก้มดูซากนั้นสลับกันพึมพำออกมาเบาๆ เ, เหมือนภาษากเรียงว่านายบุญคำว่ามันคนละตัวกับที่เราพบนะไอตัวนี้มันเตี้ยสั้นกว่าเรื่องแต่งตัวก็ผิดกันไปคนละอย่างประพินใช้สายตาปรามสมุนขวาของเขาไว้ไม่ให้พูดอะไรทั้งสิ้นและตนเองก็ยังไม่พูดคําใด ความตื่นเต้นของคณะนายจ้างท ำ, ทำให้ต่างาให้ต่างไม่ทันสังเกตรหรือมิฉะนั้นก็มองข้ามไปเสียเมื่อหยกยกนี้วะบุญคำส่งภาษาอะไรกับพรานใหญ่มีรอยเจอะของกระสุนที่ขาพับด้านหลังทั้งสองข้างอิสซาเบลร้องขึ้นที่ให้พักพวกดูรอยทะลุของกระสุนขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ยังบริเวณขาพับของซากนั้นปากแผลกรบประ ปากแผลกลมเด็กเหมือนกระสุนทะลุเข้าไปในขอนไม้นั่นเองแต่ขณะนี้ทุกคนยังไม่เห็นว่ารอยทะลุด้านหน้าซึ่งจะตรงกับสบ้าหัวเข่าพอดีจะอยู่ในสภาพเช่นไรเนื่องจากซากยังคว่าหน้าอยู่คีตสะบัดหน้าเหมือนจะไล่ความมึนงงทําแก้มโป่งเป่าลมพลูออกจากปากส่วนหัวหน้าขนาควักซิก้าออกมาคาบเห็นจะได้คําตอบแล้วกระมังว่า กระสุนไรเฟิลสองนัดที่พวกเราได้ยินเกิดขึ้นจากอะไรคุณยิงมาที่ไอ้ผีดิบตัวนี้ใช่ไหม ย, ยิงตามหลักเกณฑ์ที่คุณสอนเราไว้คือตัดที่ข้อพับตามแขนขาหรือทําลายส่วนศรีรษะของมันเขาก้มชิษะลงใช่ครับสองรูที่เห็นอยู่นั่นแหละคือเสียงไรเฟิลสองนัดของผมก็แปลว่าขณะที่คุณยิงมันกําลังเดินหรือเคลื่อนไหวอยู่และหันหลังให้คุณ ตรวจดูจากบาดแผลรูกระสุนนี่มันเจาะจากด้านหลังคิดถามเลวปรือถูกต้องผมยิงเพื่อหยุดมันในขณะที่มันกำลังเดินหนีเพราะไม่มีวิธีอื่นที่จะหยุดมันลงได้นัดแรกเข้าข้อพับด้านซ้ายมันเพียงแต่ซุดและพยายามจะลากตัวไปอีกนัดที่สองจึงตัดเข้าที่ข้อพับด้านขวาเมื่อนั้นเองมันจึงคว่ำหน้าพังภาพอยู่ในลักษณะที่ท่านเห็นอยู่นี่ และเมื่อผมเข้ามาตรวจดูก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าซากของอดีตมนุษย์โบราณ ม, มีลักษณะไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้แกร่งๆท่อ น, นไม่มีสัญญาณใดๆจะสอว่ามีชีวิตเลือดเนื้ออย่างคนธรรมดาเลยการยิงของผมเพียงแต่ทำให้มันล้มลงแะไม่สามารถจะใช้ขาได้อีกเท่านั้นเพราะกระดูกสะบ้าหัวเข่าแหลกเมื่อหมดทางที่จะเคลื่อนไหวต่อไปได้มันก็กลายเป็นซากปริศนาให้พวกเราเห็นอยู่อย่างนี้เอาละก่อนอื่น ผมจะพลิกด้านหน้าของมันให้พวกคุณดูจบคําพูดเขาก็พยักหน้ากับบุญคําเป็นความหมายแต่พระหันเ่าก็พลิกซากนั้นให้งายขึ้นทันทีโดยใช้ผ่านท้ายไรเฟิลงัดซึ่งสภาพของมันดูไม่ผิดอะไรกับการงัดท่อนสูงพอซากนั้นงายขึ้นในลักษณะแข็งทื่อทุกคนก็จ้องตะลึงไปอีกทรงหน้าประดุดหินนั้นตอบเปรียวแหลม มีเส้นผมซึ่งบัด น, นี้จะเป็นก้อนแข็งดูดเส้นผมของภาพปั้นปรกเป็นผมหน้ามา้าอยู่บนกระโหลกหน้าผาตาลึกโหลปิดสนิทและดูประหนึ่งว่าจะไม่มีการเปิดขึ้นมาได้เลยตลอดชั่วลับกันลักษณะของเครื่องแต่งกายที่หมครองอยู่เหมือนพวกนักบวชมีสร้อยประคำคล้องคอซึ่งบัด น, นี้สายประคำเส้นนั้นก็เกาะติดแน่นตายตัวอยู่กับแผ่นอกของซากเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในซากนั้น เป็นความเก่าแก่ที่หาอายุไม่ได้และท้าทายความรู้ของนักโบราณศาสตร์หรือนักมนุษยวิทยาเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะมีความใหม่ที่แปลกปลอมอะไรออกไปบ้างก็เฉพาะรอยกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของระพินที่ทะลุจากขาพับด้านหลังแลกทางออกด้านหน้าทำให้กระดูกสบ้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังแห้งเกราะสีน้ำตาลประจุแตกเป็นสะเก็ดออกมาเป็นบาดแผล เป็นผลทำลายกระดูกสำคัญของขาให้แหลกพินาศไม่อาจทรงตัวยืนอยู่ได้คนละตัวกันแน่นอนนายบุญคำจำหน้าไอตัวนั้นได้ที่มันอีกตัวหนึ่งบุญคำเผลอตัวร้องร่นออกไปเป็นภาษากะร่ยงคนแก่พูดว่ายังไงหัวหน้าคณะถามขึ้นทันทีประพิ่นอึ้งไปครู่มีความรู้สึกจากจะซัดบุญคำให้สักปาที่ปากเปราะแล้วก็บอกกับทุกคนของฝ่ายนายจ้างว่าจะเพิ่งสนใจเลยครับว่าบุญคาพูดอะไร แกก็โวยวายของแกไปตามประษานั่นแหละพวกคุณสามคนผมหมายถึงดเตอร์แซนลี่คริสและเดวได้เห็นไอ้ผีดิบลึกลับตัวนั้นเมื่อคืนนี้อย่างถนัดมาก่อนแล้วลองช่วยกันพิจารณาดูซิว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าสำหรับคริสท่านแน่ใจว่าเมื่อคืนนี้คุณยิงถูกมันก็ลองตรวจดูบาดแผลตามซากด้วยว่าจะปรากฏอยู่หรือไม่ไม่จาเป็นจะต้องตรวจสอบรอยกระสุนของฉันเมื่อคืนนี้หรอก คริสเม้มปากแน่นตอบด้วยเสียงแห่พระด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายจ้องซากนั้นตาไม่กระพริบฉันจําไอตัวเมื่อคืนนี้ได้ติดตามมันเป็นคนละตัวกับตัวนี้เจ้าตัวนั้นสูงใหญ่กว่านี้อย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งฟุตลักษณะแต่งกายเหมือนพวกนักรบแต่นี่ตัวมันเล็กกว่าการแต่งกายก็ผิดกันออกไปใช่ไหมคะอาจารย์เบลล่ะจะจําได้ไหมประโยคท้ายหลอนหันไปหารือหัวหน้าคณะกับเพื่อนสาว สำหรับคีตกับเชิดบุตรนั้นไม่อาจยืนยันได้เพราะมองเห็นภาพเมื่อคืนไม่ถนัดนักจึงพากันยืนงงนิ่งอยู่สเตนลีย์กับเบลจ้องซากอย่างพิเคราะห์แล้วก้มศีรษะลงอย่างเห็นด้วยถูกแล้วมันเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนพระเจ้าอะไรกันนี่ไอ้ตัวมัมมี่ชนิดนี้มีจํานวนมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปอย่างนั้นหรือสุภาพบุรุษไพรหัวเราะหึห่ในลําคอควักผ้าขนหนูจากอกเสื้อขึ้นมาเช็ดหน้าอันมันย่องไปด้วยเหงือ่อ และฝุ่นอองของเขาผมตอบไม่ถูกในข้อนี้ประเดี๋ยวจะมีอะไรให้คุณดูอีกอยากจะให้พวกท่านเดินมาเห็นเจ้าซากนี้เสียก่อนและขอความเห็นความยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ากับที่เข้าไปอรารวาสในแคมป์เราเมื่อคืนเพราะผมก็สังห์หรว่ามันคนละตัวกันแต่เดี๋ยวนี้สามคนที่เห็นมันอย่างถนัดที่สุดก็ยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นคนละตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับแน่นอนมันคนละตัวกันแน่แน่แน ทั้งสามยันเป็นเสียงเดียวกันอากับกริยาของอเมริกันทั้งหมดและเชิดวุ๊ดเลิกลักไปหมดบอกให้เราฟังให้ละเอียดก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไมายังไงกันระหว่างคุณกับไอ้มอนสเตอร์ตัวที่สองนี่สแตนลี่ถามมาทันทีผมขึ้นมาตรวจดูแอ่งน้ำบนเนินนั่นเพราะรู้สึกสังหรณ์อะไรบางอย่างเขาเล่าง่ายๆขณะที่จุดบุหรี่ใหม่ขึ้นอีกตัวหนึง่งอัดควนลึกตาทั้งคู่ลีลง มองจับอยู่ที่ซากประาดนั้นตลอดทางที่ไต่ขึ้นมาซึ่งทุกท่านที่เฝ้าจับมองผมอยู่ข้างล่างตีนเนินนั้นก็คงเห็นกันแล้วว่าผมยังไม่ได้ระแคะระคายกระตุกกระตากอะไรทั้งสิ้นผมไม่รู้สึกตัวเลยว่าไอ้งาดำแฝงตัวแอบซุ่มอยู่และมันจะต้องมองเห็นผมขณะที่ไต่ขึ้นไปบนเนินอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับให้มันสงบนิ่งอยู่เท่านั้นและคอยจ้องจะเล่นงานเฉพาะ พวกท่านตอนที่ไตาตามผมขึ้นไปอย่างที่เล่าให้ผมฟังแล้วเมื่อขึ้นมาถึงบริเวณแอ่งน้ำผมเห็นว่ามีกิ่งไม้อันมียางเป็นพิษถูกแช่อยู่กลางแอ่งทำให้น้ำกลายเป็นพิษเบื่อเมาไปหมดลักษณะของกิ่งไม้ยังสดสดอยู่มีร่องรอยว่าเพิ่งถูกหักมาจากที่ใดที่หนึ่งและเพิ่งจะนำมาโยนแช่ไว้ปัญหามันจึงเกิดขึ้นมาใครเป็นผู้นากิ่งไม้มีพิษนั้นมาโยนไว้ในแอ่งน้าซึ่งเรา อาจจะต้องอาศัยดื่มกินและนำมาทิ้งไว้ได้อย่างไรเนื่องมาจากเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่มากทีเดียวเกินกำลังคนธรรมดาที่จะลากมาได้ขณะที่ผมกำลังตรวจ ด, ดูรอยอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงกรวดพื้นดินไหวทังซอกหินด้านเนื้อของเนินผมตามเข้าไปทันทีพอรับก้อนหินก็เห็นไอ้ซาบนี่แหละเดินตัวปริวเหมือนมนุษย์ธรรมดากาลังบ่ายหน้าลงเนินผมจะยิงมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นใครเข้าใจว่าอาจาเป็นพวกคนป่าแถวๆนี้จึงเอาจึงออกสาวรอยมันไปทันทีมันเดินเร็วมากเดินหนีผมลงจากเนินผมก็ตามไปทุกระยะมันตัดมาทางด้านเหนือของเนินลูกนั้นและจำเดินมาอย่างชนิดไม่ยอมเหลี้ยวหลังเลยผมก็ตามมาทุกระยะแล้วก็มารู้ตัวว่ามันแกล้งเดินฝ่าไปในดงต่อหลุมเพื่อจะล่อให้ผมตกลงไปในหลุมของสัตว์อันตรายเหล่านั้น บังเอิญผมสังเกตเห็นความผิดปกติของพื้นที่บริเวณนั้นจึงลีกลบไปได้แล้วมันก็เดินฝ่าเข้าไปในดงของรังตังช้างทำให้ผมต้องเสียเวลาหาทางลีกลบจากดงไม้มีพิษอย่างรุนแรงนั่นอีกการติดตามถึงทอดระยะห่างออกไปแต่ก็ยังพอสังเกตเห็นหลังกันได้ไวๆมันไม่กลัวต่อพิษของใบรังตังช้างสามารถเดินฝ่าไปได้อย่างสบาย ส่วนผมจะต้องคอยเลี่ยงหลบใบไม้อันตรายพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาและรู้จุดประสงค์ของมันทันทีว่าเจตนาจะเดินล่อผมเข้าไปสู่ความพินาศแล้วในที่สุดมันก็ไปหลบรอดูท่าทีผมอยู่ในดงนี่แหละผมตามเข้ามาทันแกะรอยเท้ามันได้อีกออกใกล้ขึ้นมันก็พระจากหลังโคนไม้ที่หลบอยู่ออกเดินหนีอีกซึ่งผมพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้าขืนเดินตามต่อไปก็จะมีอันตรายเพราะไม่รู้มันจะล่อผมเข้าไปสู่ภัยหรือกับดักอะไรอีก ตัดสินใจหยุดมันได้ลูกปืนนัดแรกที่ขาภาพด้านซ้ายมันซุดลงเพราะเสียหลักเนื่องจากกระดูกสะบ้าหักแหลกทรงตัวไม่ได้แต่ไม่มีเสียงร้องหรือแสดงอาการเจ็บปวดอย่างใดทั้งสิน้นพยายามที่จะตะเกียกตะกายล่าขาต่อไปนัดที่สองผมจึงต้องยิงตัดมาที่บานาพับด้านขวาอีกครั้งก็เมื่อนั้นแหละมันจึงคว่ำหน้าเยียดยาลงกับพื้นทางดานลักษณะที่มันนอนอยู่ก็มันเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายมาเห็นกับตาหยกๆกนี่เอง ผมยังไม่ได้เคลื่อนซากของมันอย่างใดทั้งสิ้นพอเห็นมันล้มลงผมก็วิ่งมาหมายที่จะซ้ำแต่ปรากฏว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเมื่อเข้าใกล้ชิดตัวผมก็เห็นสภาพของมันเป็นแค่ท่อนไม้หรือท่อนหินแท่งหนึ่งเท่านั้นไม่มีลักษณะใดๆที่จะสอว่ามีชีวิตหรือวิ ญ, ญญาณเลยปรอยกระสุนของผมที่เจาะทะลุก็เหมือนกับรูกระสุนที่ยิงเข้าหาท่อนไม้ แต่อันเนื่องมาจากภายในของมันครั้ ง, งหนึ่งเคยเป็นกระดูกของมนุษย์กระดูกสบ้าตรงหัวเข่าจึงแหลกละเอียดด้วยแรงประทะของหัวกระสุนนั่นคือสาเหตุทำให้มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ต่อไปได้จึงล้มคว่มยังหุ่นยนและไม่ทิ้งหลักฐานใดๆให้คนพบมากไปกว่าศพที่คำนวณอายุไม่ได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่ทุกคนอ้าปากค้างฟังเขาพูดจนจบแล้วครางแซด นโลกนี่มันอะไรกันเกิดมาก็เพิ่งพบเห็นสิ่งมหัศจรรย์ทีท่ที่สุดในโลกครั้งนี้แหละเสียงนายคิดร้องบวยออกมาผ ม, มทราบดีครับประพินเปล่ารีบต่อไปว่าเสียงไรเฟิลของผมสองนัดคงจะทำให้พวกท่านสงสยัยหรือมิฉะนั้นก็แตกตื่นตกใจและคงจะซักถามผมทางวิทยุผมควานหาวิทยุที่เนบติดเอวอยู่ก็พบว่ามันตกหายไปเมื่อไรไม่ทราบได้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 เหตุการณ์มันเห็นจะประสานกันได้แล้วเทดิดพุทเอ่ยขึ้นกับฝ่ายอเมริกันทุกคนระหว่างทางด้านเรากับรพินขณะที่เขาตามไอ้ผีดิบตัวนี้มาและยิงตัดขาทั้งสองข้างของมันพวกเราได้ยินเสียงไรเฟิลก็ตกใจเรียกวิทยุก็ไม่มีคําตอบเพราะราพินนำวทําวิทยุตกหายพวกเราจึงวิ่งตามขึ้นไปบนเนินซึ่งในขณะนั้นรพินมาอยู่ที่ดงนี่แล้วและตอนที่เราตามขึ้นไปนั่นเองไอ้งาดําที่แอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วโดยไม่สำแดงตน ขณะที่รพินผ่านขึ้นไปก่อนเร่งงานไฟล์เราทันทีโดยการกระิ่งหินเข้าใส่ผมลำดับภาพเหตุการณ์ดังนี้ถูกต้องไหมภายหลังจากขมวดคิ้วนิ่งคิดกันอยู่รู้เดียวทั้งหัวหน้าคณะพริสอิสเบลและคีตก็พยักหน้ารับก็คงไม่หนีเหตุการณ์ที่คุณว่ามานั่นล็อกวุดพริสพูดแผ่วต่ำแล้วหันไปมองทางกิ่งไม้ของต้นไม้ต้นที่มีรอยหักอยู่ที่ไปที่นั่น ระพินคุณพบเห็นกิ่งไม้ที่มีรอยหักนั่นตอนไหนก็ ต, ต่อมาเพียงครู่เดียวระหว่างที่ผมกําลังค้นหาวิทยุมันบังเอิญที่สุดที่ไอ้ผีดิบตัวนี้นําผมเดินไปยังตําแหน่งที่มันหักกิ่งไม้เพื่อนําไปทิ้งที่แอ่งน้ํานั่นแหละผมเห็นรอยหกักสวดๆผมก็รู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นกิ่งที่ถูกนําไปทิ้งแช่อยู่ในแอ่งนั่นแล้วมันจะหักกิ่งไม้ตรงนั้นได้อย่างไรในเมื่อระดับสูงมาก ยิ่งก็ใหญ่กว่าที่ร่างกายขนาดมันจะหักได้ไม่นำซ้ำยังนําไปทิ้งไว้ที่แอ่งน้ํานั่นได้อีกด้วยหัวหน้าคณะถามผมเพิ่งจะมาสันนิษฐานได้เมื่อได้รับทราบจากพวกท่านว่าไอ้งาดําแล่นสวนทางลงไปนั่นเองพระพินตอบด้วยน้ําเสียงปกติของเขาเมื่อไอ้งาดํามีส่วนก็ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์อยู่ด้วยก็แสดงว่าไอ้ผีดิบตัว น, นี้แหละที่นั่งบังคับอยู่บนคอของช้างร้ายตัวนั้น บังคับให้ช้างใช้ม่วงหักกิ่งไม้และให้ช้างนํากิ่งไม้ไปทิ้งในแอ่งน้ําโดยมีมันนั่งเป็นควานกํากับไปด้วยขณะที่ผมไต่เนินขึ้นไปถึงแอ่งน้ําพร้อมทั้งเห็นรอยพิรุษก็แสดงว่ามันเพิ่งจะโยนกิ่งไม้ลงไปในแอ่งไม่นานนะและยังแอบกันอยู่บนนั้นทั้งไอผีดิบและไองาดําผมจับรอยไอผีนี้ได้ก่อนจึงตามมาส่วนไองาดํำยังซุ่มหลบนิ่งเพื่อเล่นเพื่อดักเล่นงานพวกท่านคิวอีดีเบลร้องออกมา เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างประสานรอยกันได้หมดแล้วเมื่อเอาเหตุการณ์ทางด้านคุณและด้านพวกเรามาชนกันทีนี้เราหันมาพิจารณากันถึงไอ้ซากนรกนี่เถอะข้อแรกที่พวกเรางุ่นงงกันที่สุดก็คือมันเป็นคนละตัวกับที่เราพบเมื่อคืนก็แสดงว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวและไม่ว่าจะมีสั ก, กีตัวมันทางานอย่างเดียวกันคือเป็นศัตรูที่จ้องจะล้างพรางพวกเรา โดยเกี่ยวข้องร่วมมือกับไอ้ช้างงาดำรวมทั้งโรงของมันด้วยเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันเมื่อราพินพาเราตามรอยเท้าของมันไปก็พบว่ามันเป็นสุดสิ้นเอาที่รอยเท้าช้างย่ำอยู่สับสนแสดงว่ามันขึ้นขี่คอช้างซึ่งเปรียบเหมือนบริวารของมันไปส่วนลักษณะของไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในสภาพเดียวกันใช้ช้างเป็นพาหะเพื่อจุดมุ่งหมายของมันแต่บังเอิญ มันหนีไม่พ้นถูกกระพินจับตัวได้ตาคาหนังคาเขาซึ่งเราทุกคนก็เห็นอยู่นี่ว่ามันเป็นแค่เพียงซากมัมมี่โบราณประศัากชีวิตตามหลักของชีววิทยาทั่วๆไปและทฤษฎีของระพินที่สอนเราไว้พิสูจน์ว่าถูกต้องในกรณีที่ถ้าพบเห็นไอ้ผีดิบเมื่อไหร่ให้ยิงตัดกระดูกสำคัญเป็นการทำลายซากของมันเสียผลก็ปรากฏอยู่นี่แล้ว กระดูกหัวเข่าของมันหลุดมันก็นอนแง้งแม้งอยู่นี่เองเคลื่อนไหวต่อไปไม่ได้สแตนลีย์กล่าวสรุปกับทุกคนเธอวุฒพยายามมองศบตารพินยอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะบอกให้ทราบว่าเขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์แห่งนิทรานครจากบุญธรรมโดยตลอดเวลาโดยใช้เวลาชวนคุยสอบถามระหว่างที่เดินมาด้วยกันจอมพรานศตาด้วยนิดนึง แต่ก็คงอยู่ในอาการสงบไม่แสดงสิ่งใดทั้งสิ้นระหว่างนี้เองที่หัวหน้าคณะริสและหมอเบลซุดตัวลงตวรวจซากอย่างใกล้ชิดรับพินคุณพอมีคำอธิบายเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับซากประหลาดนี้บ้างไหมริสถามขึ้นเบาๆจอมผานยิ้มเลียนๆ ย, ยักไหลผมไม่ทราบจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรถูกเมือกันทุกท่านที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นถ้ามีใครเป็นนักธรณีวิทยาหรื อ, อนักสำรวจซากโบราณก็รองตรวจ ด, ดูเถิดครับว่ามันเป็นซากของอดีตมนุษย์ในสมัยไหนสำหรับผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยบอกได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เรารเผชิญกันอยู่นี่แหละคืออาถรรพ์ของป่าใหญ่ไพรลกซึ่งครั้งแรกพวกท่านไม่เคยสนใจเชื่อถือมาก่อนเดี๋ยวนี้ทุกท่านก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้ว ก็ลองช่วยกันวิเคราะห์กันเองเถอะผมทำได้ก็จะเพียงนำท่านทุกคนมาให้ได้เห็นหลักฐานเหล่านี้เท่านั้นสแตนลีย์ตรวจ ด, ดูตรงบริเวณออกบริเวณทางออกของกระสุนที่ทะลวงแผ่กระดูกสบ้าหัวเข่าออกไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าจุดหมายของการทำลายชนิดนั้นเองที่ทำให้ซากต้องล้มลงถ้าหากว่ามันกาลังเดินอยู่คริสนั้นตรวจ ด, ดูตามบริเวณกลางลาตัว และนอกเผื่อว่าอาจพบรอยกระสุนของหล่อนที่ยิงเมื่อคืนนี้บ้างก็ไม่พบสิ่งใดเลยบอกทัดว่ามันเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนส่วนเบลซึ่งมีความรู้ในทางธรณีวิทยาอยู่บ้างได้ตรวจในลักษณะการสำรวจซากโบราณแล้วก็แล้วก็มาช ง, งักหมวดคิ้วครุ่นคิดหนักเมื่อหล่อนใช้มีดโบวีคขูดเบาๆตรงบริเวณศีรษะของซากครางอะไรออกมาเบาๆทาให้พักพวกทุกคนหันไปมอง อะไรหรือเบลเลือบทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันหมอเบลเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกที่เต็มไปด้วยเหงื่อของหลอนสีหน้าชา ง, งนครางแครงใจขีดสุดแล้วเหลือบตาไปทางระพินผู้ซึ่งมองอยู่ก่อนแล้ว่ันว่าฉันพบอะไรที่ทำให้ยิ่ง ง, งเข้าไปใหญ่ดูนี่หลอนใช้ปลายมีดที่ให้ทุกคนดูตรงบริเวณกลางศีรษะของซา แล้วบอกต่อไปว่ามีรอยหินย้อยเกาะอยู่ที่ศีรษะของซากนี้แสดงว่าตลอดเวลามันตลอดเวลามามันจะต้องยืนหรือนั่งเอาศีรษะขึ้นใกล้ๆ ก, กับผนังเพดานถ้าซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปหินก็จะย้อยตัวลงมาเชื่อมติดอยู่กับส่วนศีรษะของมันและนี่ก็มีรอยหักของหินย้อยที่ลงมาเชื่อมนั้นแสดงว่ามันเคลื่อนไหวออกมาจากตําแหน่งที่เคยอยู่อย่างสงบนิ่งมานับเป็นเวลาหมื่นหมื่นปี หมืน่นหมืนปีทุกคนยกแว้นระพินและบุญคำอุทานล้านเป็นเสียงเดียวตาเหลือกเบลกัดลิมนฟีปากเบลกัดลิมนฟีปากแน่นสีหน้าพิพักพิพ่วนเต็มที่ใช่ต้องใช้เวลาเป็นหมืน่นหมืนปีขึ้นไปหินจากเพดานด้านบนจึงจะงอกลงมาเชื่อมกับซากนี้ได้นี่เป็นเรื่องน่างงเหลือเกินเวลาย้อนหลังเป็นหมื่นปีขึ้นไป ฉันไม่แน่ใจว่ามนุษย์จะมีกำเนิดขึ้นในโลกนี้หรื อ, อยังเพราะค้นไม่พบหลักฐานทางโบราณศัสตว์และสมมุติว่าในเวลาขนาดนั้นจะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วตามหลักวิชาก็บอกไว้ว่ายังเป็นมนุษย์ดึกดำบรรชาวถ้ำมีความเป็นอยู่ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าแต่เครื่องแต่งกายของซากนี้มันบอกชัดว่าเป็นมนุษย์ที่เคยรุ่งเรืองมาแล้วด้วยศิลปวัฒนธรรมเอแปลกจริง เชิดวุฒิหันไปศบตารพินอีกแว บ, บหนึ่งเห็นจอมพลานดับบุรีก้นเห็นจอมพลานกำลังดูดบุรีแก้มตอบและเป่าควันเป็นทางยาวลงต่ำพงสงบนิ่งไม่เอ่ยคำใดทั้งสิน้นปล่อยให้อเมริกันกลุ่มนั้นตรวจคนสแสวงหาความจริงเอาเองรพินรู้ใหญ่ทีเดียวที่อเมริกันทั้งสี่คนหารือกันเองอย่างเคร่งเครียด และในที่สุดก็หันมาทางจอมมะคุเทศผู้สงบเฉยเป็นตาเดียวเพราะดูว่าเหตุการณ์และภาวะแวดล้อมเช่นนี้เข้าคนเดียวเท่านั้นจะเป็นที่หวังที่พึ่งและที่ปรึกษาให้ความกระจ่างชัดแก่ทุกคนแก่ทุกคนออกไปได้ผู้เออยเรียกเสียงเบาต่ำคือหัวหน้าคณะเราตรวจสอบที่ซากประหลาดนี้แล้วมีความเห็นตรงกันหมดว่ามันเป็นซากโบราณเลือที่จะกะคานวณอายุได้ทีเดียว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 เชื่อมซากได้แสดงถึงว่ามันนานก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเท่าที่วิชาประวัติศาสตร์โบราณศาสตรจะบันทึกไว้ได้แล้วยังไงครับไปหน้าตายด้านตามบุคลิกย้อนถามเราอยากทราบความเห็นของคุณบ้างอย่างน้อยจากการคาดคะเนการเดาด้วยประสบการณ์พบเห็นมาก่อนของคุณก็ยังดีผู้ที่ยิงคำถามติดต่อมาอย่างรวดเร็วคือคริสผู้ฉลาดคมและละเอียดอ่อน ก่อนอื่นทุกท่านคงจะทราบดีแล้วว่าผมไม่ใช่นักศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณศัสตว์ไม่มีความรู้ในทางธรณีวิทยาลูวศ า, ากโบราณตลอดจนวิวัฒนาการของมนุษยชาติมาก่อนผมเป็นแต่เพียงพานนพานนำทางมีความรู้เฉพาะการเดินป่าล่าสัตว์ยุทธวิธีจากวิธีชาทหารที่ร่ำเรียนมาบ้างเท่านั้น เกรงว่าจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากนะเกี่ยวกับซากโบราณที่ลึกลับนี้พบเห็นอะไรก็เชิญให้ท่านได้มารับทราบรับเห็นไว้ด้วยเท่านั้นคุณไม่ควรจะปลีกตัวออกมาจากการขอร้องให้ร่วมเข้าหาหรือดูวินิจฉัยในเรื่องลี้ลับนี้นะและไม่ควรจะทอมตนจนเกินไปนะคริสพูดเน้นเสียงส่ อ, อการพอาติงอยู่ในรูปประโยคและกระแสเสียงนั้น สายตาที่มองดูเขาก็เป็นประกายเท่าทันในการใช้คำพูดแบบหลีกลีกลบปลีกตัวของเขามีสังหรณ์อะไรบางอย่างของฉันที่จะบอกได้ว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องลี้ลับชนิดนี้มาก่อนแล้วเว้นไว้แต่คุณจะไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดเท่านั้นโอ้พีสมิสเตอร์ฮันเตอร์กรุณาอย่าได้เย็บปากอยู่อย่างนั้นเบลออนวอนมาอีกคนหนึ่งคนนามสกุลไพวันเต็มไปด้วยความอึดอัดอันลำบากใจ ไอจะบอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ตัวเองและคณะของคุณชายเชษฐาเคยผ่านพบเผชิญมาก่อนแล้วหล่ะก็ไม่สามารถจะบอกได้ในเวลานี้ไอ้ครั้นจะเก็บนิ่งเฉยทําเป็นไม่รู้อะไรเลยคนกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนจะยิ่งสงสัยและเท่าทันเขาอยู่ในการซ่อนเร้นความจริงบางประการไว้และถ้าจะพิจารณากันตามความจริงแล้วเมื่อเป็นเวลาได้ล่วงผ่านมาจากกา ร, รเผชินภัยร่วมกันในป่าอเมริกันกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็มอบความไว้วางใจให้แก่เขาจนหมดสิ้น ไม่มีใครบางอาจแสดงความอวดรู้อวดดีแู้ดูมินดูแครนใดๆเข้าเหมือนแต่แรกเลยเนื่องมาจากได้เห็นฝีมือกันจะแจ้งแล้วรวมทั้งรู้ถึงพื้นฐานการศึกษาเชิดบุตรที่พอจะรู้อะไรเป็นในๆมาก่อนแล้วก็กำลังจับตาเขมงอยู่ที่เขามันจะคอยฟังว่าเขาจะตอบคนเหล่านั้นเช่นไรสุภาพบุรุษไพรเดินอ้อมไปทางศรีรษะของซากตรงที่หมอเบลกาลังนั่งตรวจอยู่แล้ว เขาก็เห็นตามที่เบลได้กล่าวไว้ตามที่เบลกล่าวไว้จริงคือมีรอยหินย้อยงอกเป็นเส้นเชื่อมลงมาติดกับศีษะของซาบมีหน้ำซ้ำบางส่วนจับแผลแผ่เคลือบปกคลุมบริเวณศีษะนั้นไวเหมือนอปูลพลาสเตอร์ลอแต่ส่วนของหินงอกมีรอยหักสะบั้นเพราะมีกำลังบางสิ่งบางอย่างมาชุดร่างนี้ให้หลุดออกมาจากที่อันเคยเป็นแหล่งสถิตของมันมานับกลับกันสรุปให้สั้น เพราะคุณสงสัยอะไรเขาพยายามพูดด้วยเสียงเรียบปกติที่สุดอันเป็นตรงข้ามความรู้สึกภายในของตัวเองซึ่งเราร้อนกังวลไม่ผิดอะไรกับคนเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัญหาให้สงสัยทั้งนั้นแต่เราจะเอาเฉพาะจุดที่สําคัญก่อนคุณเห็นด้วยกับฉันไหมในข้อที่ว่าซากนี้เกา่าแก่โบราณเกินประวัติศาสต ร, ร์มนุษย์จากหินย้อยที่ไหลลงมาเชื่อมติดซากนี้ ก็ควรเป็นอย่างนั้นแต่ผมคํานวณย้อนกลับไปไม่ได้ว่ามันนานสักเท่าไหร่แล้วลักษณะเครื่องประดับและการแต่งกายของซากคุณเห็นด้วยไหมว่าเป็นมนุษย์ในยุคที่เคยมีอรารยธรรมมาแล้วไม่ใช่มนุษย์หินหรือมนุษย์ถ้าก็เห็นด้วยในข้อนั้นเขารับอีกแล้วความขัดแย้งของการเวลามันเกิดขึ้นได้อย่างไรช่วยอธิบายซิไม่ได้บังคับแต่ขอความเห็นถ้าเผื่อคุณจะมีบ้าง ผูพ้พูดในครั้งนี้คือดรแซนลีวาน่าคณะเอาละท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายโดยทฤษฎีแล้วเราอาจพอทราบกันบ้างว่ามนุษยชาติได้เริ่มต้นวิวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไร่และผ่านยุคสมัยเช่นใดมาบ้างซึ่งกะกันว่าไม่น่าจะย้อนหลังนานเกินไปนะแต่นั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีที่เรารับทราบกันมาจากบทเรียนเท่านั้นความจริงจะมีอยู่เพียงใดเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษยชาติ ถ้าเราไม่คิดกันว่าเราฉลาดเลิศแล้วเราก็ควรจะยอมรับว่ามันยังเป็นสิ่งมืดมนมนุษย์อาจเกิดขึ้นในพิภพโลกนี้เริ่มตั้งแต่ใกล้เคียงกับสัตว์ขึ้นมาจนกระทั่งได้พัฒนาเจริญถึงขีดสุดอย่างในปัจจุบันนี้แล้วก็ได้ถูกกฎธรรมชาติทำลายให้เผาพันศูนย์ไปหลังจากนั้นก็มาเริ่มมีวัฒนาการขึ้นใหม่โดยเริ่มต้นจากสัตว์เซลล์ต่าขึ้นมาอีก เริ่มต้นต่อมาก็จะเรินขีดสูตรแล้วศูนย์พันแล้วก็เริ่มต้นกันขึ้นมาอีกมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นวงจร อ, อยู่เช่นนี้กี่รอบกี่ยุค ก, กันบ้างแล้วพวกคุณเคยคิดบ้างไหมทุกคนนิ่งฟังอย่างตั้งใจและเงียบกริบยังไม่มีใครเอ่ยแทรกขึ้นทั้งสิ้นพระพินไพรวันกล่าวช้าๆต่อไปว่า เราไม่เคยเรียนรู้หรือพิสูจน์กันได้มาก่อนเลยว่ามนุษย์ที่เกิดแล้วจเจริญเต็มที่แล้วและดับแล้วต่อมาก็เริ่มเกิดอีกมีวทฒนาการขึ้นอีกกี่รอบกี่สมัยมาแล้วยกอาทิง่ายๆถ้าระเบิดนิวตรอนหรืออาวุธร้ายแรงอะไรก็ตามที่พวกคุณคิดประดิษฐ์ขึ้นมันเกิดขึ้นโดยสงขรามรล้างโลกมนุษย์ให้ทั้งโลกพินาศย่อยยับกันไปทั้งหมด แล้วต่อไปอีกสักลานปีข้างหน้าก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยอาจเริ่มต้นจากสัตว์ประเภทสเซล์ต่ําขึ้นมาก่อนตามระบบวงจรของชีววิทยาและเป็นกฎธรรมชาติมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าที่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาก็อาจคิดอย่างเราๆในสมัยนี้คือคิดว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีมนุษยชาติมาก่อนเลยซึ่งจะเริ่มเอายุคสมัยของพวกเขาย้อนหลังไปแค่เพียงไม่กี่แสนกี่ล้านปีมานี่เองเราก็คงต้องหัวรอยามนุษย์ในยุคอนาคตว่า เจ้าพวกนั้นช่างโง่เง่าเสีย จ, จริงๆที่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงพวกเราเกิดมาก่อนแล้วจเจริญก่อนแล้วและพินาศย่อยยับไปก่อนแล้วว่าจะเริ่มขึ้นใมาอีกในยุคสมัยของเขาทีนี้ลงคิดย้อนหลังลงไปในอดีตของอดีตอีกหลายๆชั้นทําไมปิดกั้นความคิดของเราเองให้แคบเกินไปนะเราก็น่าจะมีสิทธิสงสัยได้ว่ามนุษย์อาจเคยมีวิวัฒนาการมาก่อนยุคสมัยของพวกเรามาก่อนแล้ว โดยถอยหลังไปอีกสักกี่ยุคก็ไม่จราบได้เพราะฉะนั้นต่อข้อสงสัยของพวกคุณในข้อที่ว่าซากนี้เป็นซากของมนุษย์ที่ยังน้อยก็มีอรารยธรรมมาก่อนแล้วแต่ไปพิจารณาถึงธรรมชาติของหินย้อยซึ่งอาจต้องใช้เวลานับมือนนับแสนปีกว่าจะงอกลงมาเชื่อมกับซากนี้ได้พร้อมกันก็ตั้งข้อสงสัยว่าในการเวลายาวนานเช่นนั้นไม่น่าจะเป็นสภาพของซากมนุษย์ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนดังที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นทำไมพวกเราจึงไม่ลองย้อนคิดไปถึงสิ่งที่ผมพูดนี่บ้างคือเขาอาจเป็นมนุษย์ที่เคยมีวิวัฒนาการมาก่อนพวกเราแล้วในรอบหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ของพวกเรายังค้นลึกไปไม่ถึงระหว่างที่คริสเบลและแซนลี่นิ่งถึงไปคิดผิวปากหือคือน้าคิดมากตามที่ระพินพูดนี่แม้จะไม่มีข้อพิสูจน์ใดมายืนยันได้ก็ตาม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 ก็คำนวณในยุค ข, ของมันไม่ได้ว่าใครสร้างไว้ตั้งแต่สมัยใดความลี้ลับเหล่านี้นักประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ได้แต่เดาๆกันไปเท่านั้นถ้ า, างั้นตามความเข้าใจของคุณก็แปลว่าจากที่เราเห็นอยู่นี่เป็นซากของมนุษย์ในอีกยุคหนึง่งคนละช่วงวิวัฒนาการกับพวกเรางั้นสิเบลถามละพินก็บอกแล้วว่าผมเดาผมก็อยากจะเดาเช่นนี้ในเมื่อคุณเองก็บอกอยู่ว่า กว่าหินย้อยจะใช้เวลางอกลงมาเชื่อมติดซากได้ต้องอาศัยเวลา น, านานมากและช่วงระยะเวลาอันยาวนานนั้นมนุษย์ในรอบวิวัฒนาการของพวกเรายัางนุ่งใบไม้อยู่ตามถาม้ำคริสจ่องตาเขาแล้วไหนคุณว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโบราณศาสตร์ยังไงล่ะจอมพรานเบ้ปากนิดนึงกระตุกไหลขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าผมรู้อะไรในเรื่องนี้ดีไปกว่าพวกคุณ หรือข้อสันนิษฐานของผมจะถูกต้องนี่ครับทุกคนมีสิทธิ์จะดาวหรือาคาดชะเนได้เอาละ่ะเราผ่านปัญหาข้อนี้ไปเป็นอันว่าจะตั้งสมมุติฐานตามหลักเกณฑ์ของคุณที่ว่ามานี้คือซากนี้เป็นซากของอดีตอดีตและอดีตของมนุษย์ชาติคนละรอบวิวัฒนาการกับพวกเราด็อร์แซนลีย์กล่าวเคร่งครึมรีตาลงจับอยู่ที่ซากนั้นไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้คุณพอจะสันนิษฐานต่อไปได้อีกไหมว่า มันมาจากไหนแหล่งเดิมอันเป็นที่เก็บของซากมันอยู่ที่ใดแหล่งที่เก็บซากหรืออยู่ที่เดิมของซากผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะห่างไกลาจากบริเวณที่เราอยู่เท่าใดนักหรอกดิฉะนั้นมันจะออกมาเกะกะให้เราเห็นอยู่นี่ไม่ได้ส่วนสภาพแวดล้อมของแหลง่งหมอเบลอันเป็นนักธรณีวิทยาควรจะบอกได้ดีกว่าผมถ้าถามฉัน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 มันสามารถจะคงทนอยู่ในสภาพของร่างกายแทบจะเรียกได้ว่าเกือบครบบริบูรณ์เช่นนี้แทนที่จะเหลือแต่โครงกระดูกนี่ปรากฏว่ามันมีทั้งเนื้อและหนังที่รัดตัวแข็งแกร่งกลายสภาพเป็นดุดหินอย่างนี้ก่าจบหล่อนก็ฟันมีดโบวีที่ถืออยู่ในมือลงไปกลางอกของซากปรากฏว่าเสียงคมมีดกระทบความแข็งกระด้างจุดยางแข็งดังโปก๊กและมีดกระดอนขึ้นมาทันที เห็นไม้ยังกระเง้าไม้ที่จมเย็นอยู่นานนับล้านปีตามปกติแล้วซากศพที่ทํามัมมี่ไว้ไม่เคยปรากฏว่าจะมีสภาพเหมือนซากที่เราเห็นกันอยู่นี่เลยเพราะถึงพอโคงรงซากอยู่ได้ก็ต้องผูกกรอนสุดโสมโดยเฉพาะเนื้อและหนังแม้ว่าโครงกระดูกจะอยู่ได้ก็ตามทีแต่นี่มันมีลักษณะแกร่งกระด้างไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งฉันไม่เคยพบศึกษามาก่อนในประวัติศาสตร์ของการทํามัมมี่ ถางั้นให้ผมเดาบ้างเชิดวุฒิกราวโดยเร็วภายหลังจากยืนนิ่งอยู่นานถ้าเรายอมรับในสมมุติฐานของรพินในเรื่องที่ว่าจากนี้น่าจะเป็นซากของมนุษย์คนละลอบวิวัฒนาการกับพวกเรามันก็ต้องแปลว่าในยุคสมัยของพวกเขาจะต้องมีกรรมวิธีที่ทํามัมมี่ศพไว้ได้ดีกว่าในรอบวิวัฒนาการของพวกเรา สามารถจะเก็บรักษาเนื้อหนังไว้ได้ใกล้เคียงกับสมัยที่ยังคงมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการผุกร่อนและไม่มีธรรมชาติใดมาทําลายเสียได้ตรวจดูให้ดีเธอเราจะเห็นรอยพวกมแมลงใดกัดแทะซากเราจะไม่เห็นรอยพวกมแมลงใดกัดสะแทะซากนี้ได้เลยแห้งกรอบแข็งแร ง, แงรัดเนื้อรัดกระดูกไปหมดยังกับชุบไว้ด้วยยางไมยที่มีประสิทธิภาพพิเศษหรือกรรมวิธีทางเคมีที่พวกเรายังเรียนรู้ไปไม่ถึง ผมคิดว่าถ้าเราสามารถนำทรงซากนี้เข้าตรวจสอบตามหลักของชาโคเทสผมผลอาจบอกเราได้ว่าสภาพของมันได้กลายเป็นธาตุอะไรไปแล้วดีไม่ดีผมดีไม่ดีผลออกมาจะกลายเป็นฐานหินไปแล้วก็ได้ทั้งหมดมองตากันปริบๆคอแข็งไปอีกคริสดึงมีดแล่เนื้อคมกริบของหลอนออกมาจากเป้หลังแล้วทดลอง เธอเฉือนลงไปบนบริเวณผิวกระด้างสีน้ำตาลตรงหน้าแข้งจากในขณะที่ทุกคนเฝ้าจับอยู่ปรากฏว่ามีดที่คมปานมีโกนของหล่อนเถือไม่เข้าหล่อนต้องการชำระผิวและเนื้อบางส่วนที่รัดอยู่เพื่อเปิดเข้าไปถึงกระดูกแล้วก็มีสภาพไม่ผิดอะไรกับการพยายามเชือนลงไปบนรากเง่าไม้ที่ฝังจมดินอยู่เป็นเวลานานบุญคําเห็นเขาก็หัวเราะดึงมีดดาบเดินป่าที่ขัดหลังอยู่ออกมาแล้วบอกว่า แมมคริสจะไปเชิอนมันให้เสียเวลาเลยไม่เข้าหรอกดูบุญคําฟันได้ดาบนี่ดีกว่ารับรองเลยเด่นพึ่งยังกับฟันยางรถยนต์นั่นแหละว่าแล้วแกก็ลุกขึ้นพวงด้ามดาบเดินเปล่าไว้ทั้งสองมือเงื้อง่าขึ้นทั้งเบลและละพินที่นั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านศีรษะศพสิบพุดลุกขึ้นยืนถอยหางออกมาทันทีตาพรานเท่าแยกเขี้ยวกะไม้ที่ก้านคอนั้นแล้วกระนําฟันชับลงไปสุดแรงเกิดจริงอย่างว่า แรงคนกับแค่คมมีดดาบเดินป่าไม่ได้ทําให้คอของซากเกิดรอยอะไรมากไปกว่ารอยคมมีดที่กินผิวเข้าไปแค่ไม่เกินหนึ่งซอมอแล้วดาบเล่มนั้นก็กระดอนขึ้นมาทั้งทั้งที่มันน่าจะขาดกระเด็นรุดจากบาเท่านั้นยังไม่พอบุญคําเอาทางแหลมของดาบจ้วงแทงลงไปกลางอกมันก็กระแทกดังกึกแล้วกระเด้งออกมาอีกไม่ได้ทะลุเข้าไปเลยนอกจากมีรอยเหมือนถูกจิ้มเท่านั้นเนื้อหนังของซาก เท่าที่หุ้มกระดูกอยู่มีสภาพไม่พิดอะไรกับกราะแบบเดียวกับหนังช้างที่ถลกออกมาตากแดดไว้ให้แห้งทุกคนยกเว้นรพิน์กลางฮือในลําคอเสียงเชิดวุดิรุตปากออกมาว่าตายหายิ่งกว่ายางรถแท็กเตอร์ซะอีกไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะลุกขึ้นมาเดินลุกเคลื่อนไหวได้ไอตัวที่เขาไปอารวาที่แคมป์เราเมื่อคืนนี้ก็คงจะมีสภาพของเนื้อหนังมังสาอย่างนี้แหละได้หักคอลูกหาเราสองคนได้อย่างสบาย และคริสยิงถูกเข้ากลางอกจึงไม่สะทุกสะเทือนอะไรเลยให้ตายเถอะถ้าหากมันเกิดกระดูกกระดิกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้คงได้วิ่งกันป่าราบรับพินวัวเลาเออกมาเบาๆพูดทั้งยังคาบรุรีปล่อยก้นไว้ยาวเฟื้ยคาปากอยู่เช่นนั้นเราจะวิ่งกันทำไมให้งโง่ครับผมเองก็ภาวนาอยู่ในขณะนี้ว่าพอให้มันกระดกกระดิกหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวในขณะนี้ต่อหน้าผมเดี๋ยวนี้เถอะ แต่ก็เชื่ออีกเหมือนกันว่ามันจะกระดุกกระดกต่อหน้าเราซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ให้โง่าทาไมเหมือนกันปล่อยให้เรามายืนงงจ้องซ่าของมันขนลุกขนชันเล่นอย่างนี้เป็นการทาลายขวัญกันได้มากกว่าคุณแน่ใจหรือรับพินว่าขณะที่คุณยิงถูกขาพักมันน่ะมันกำลังเดินอยู่ไม่ใช่ว่าคุณมาพบมันนอนนิ่งๆอยู่ก่อนแล้วจึงเอาลูกปืนยัดเข้าห้ที่หลัง เสียงคีดถามมาอย่างแผ่วเบาลักษณะเป็นคำถามอย่างวาสยองมากกว่าจะไล่เลียงเพราะความไม่เชื่อถือก็คงเหมือนเหมือนกับที่ผมน่าจะถามพวกคุณเหมือนกันแหละครับว่าเมื่อคืนนี้เห็นไอ้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามายืนอยู่หลังกระโจมพักจริงหรือไม่และคริสได้ยิงกระสุนออกไปสามนัดนั้นน่ะยิงเพราะตาฝาดไปหรือเปล่าสาหรับผมไม่ใช่มาเห็นกันตรงตงที่นี่และผมจึงยิง แต่ผมเดินตามมาลงมาจากเนินชนิดเห็นหลังกันไวๆใช้เวลาตามไม่ตามกสิบ น, นาทีและที่ยิงก็เพราะเห็นแล้วว่าผืนตา ม, มันไปจะนำเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่จึงจำเป็นต้องหยุดมันไว้เสียก่อนเพื่อยึดจากนี้เป็นหลักฐานให้พวกท่านได้เห็นกันชัดๆคงไม่โกรธผมนะที่ผมถามไปเมื่อตะ ก, กี้นี้ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่เชื่อคุณแต่มันขนลูกขนพองไปหมดแล้ว นายคิดบอกอ่อยๆทำหน้าพิกลระผินยิ้มให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณและพวกคุณทุกคนในขณะนี้ดีครับก็เป็นอันว่าขณะนี้เรายึดมันไว้ได้ตัวหนึ่งละไม่ว่ามันจะมีสักกี่ตัวสําหรับไอ้สิงประหลาดหน้าคนลุกนี่หัวหน้าคณะว่าคราวนี้ก็มาถึงปัญหาปวดกระโหลกอย่างเดิมว่าขณะที่มันเคลื่อนไหวนั้นมันเคลื่อนไหวด้วยอํานาจของอะไร อย่างที่ผมได้บอกพวกท่านขณะที่เราวิเคราะห์กันถึงไอตัวที่เข้ามาอารวาสในแคมเมื่อคืนนี้คือถ้าจะพูดกันในแง่วิทยาศาสตร์มันก็เคลื่อนไหวและทําการทุกอย่างในลักษณะของหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับด้วยคลื่นของวิทยุแต่ถ้าจะพูดถึงอํานาจของจิตศาสหรือวิญญาณศาสมันก็ถูกบังคับด้วยคลื่นของกระแสจิตที่มีพลังงานสูงมากและคลื่นของกระแสจิตนี้ สามารถจะสั่งการไปยังซากลักษณะเดียวกันตัวใดตัวหนึ่งก็ย่อมได้หรืออาจสั่งการไปพร็พร้อมๆกันให้ทำงานมากกว่าหนึ่งตัวก็ย่อมได้ผมตอบได้แค่นี้เองคริสตินาลุกขึ้นยืนพรามได้เสียงที่ดังได้ยินไปทั่วกันหมดทุกคนที่ยืนมุงซากกันอยู่ใครเป็นเจ้าของกระแสจิตที่บงการมายัางซากนี้หรือซากของไอตัวเมื่อคืนนี้และทำไมจึงต้องเลือกใช้กับไอซากผีตายมัมมี่คำนวณอายุไม่ได้ประเภทนี้ นั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นคว้าต่อไปครับระพินตอบสั้นๆเราจะดําเนินการต่ อ, อยังไงเกี่ยวกับสร้างอุบารที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่หัวหน้าคณะถามความเห็นครับาระพินอมยิม้มคลายความตึงเครียดของทุกคนลงด้วยคําพูดว่าเอางี้ดีไหมครับพวกท่านทุกคนก็ล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือสื่อสารและหน่วยเหนือคือสถานีลอยฟ้า ที่ควบคุมการเดินทางของเราก็ยังสามารถติดต่อกันได้ผมว่าให้ Colonel Keith วิทยุต่อหน่วยที่ควบคุมงานของเราส่งคอปเตอร์มาที่นี่แล้วเราก็เขียนรายงานความจริงทั้งหมดที่เรารู้เห็นแนบติดไปกับซากโดยให้เขานำซากนี้กลับไปพิสูจน์ค้นคว้ากันที่กองบัญชาการของพวกคุณเพื่อเราจะได้ความจริงบ้างว่ามันคืออะไรคงไม่ยากอะไรนะแค่ให้ส่งคอปเตอร์มาแล้วเราก็ส่งซานี้ขึ้นไปให้เขาเท่านั้น คิดขยี้จมูกบนอะไรพัแต่อดหัวเราะไม่ได้คริสหรือเบลคนใดคนหนึ่งอุทานออกมาอุบอิบว่าสติปิกส่วนด็อเตอร์แซนลี่หัวเราะโฮโฮคุณมีอารมณ์ดียังแมนแต่ผมเกรงว่าถ้าเราเติดต่อส่งข่าวเรื่องนี้ขึ้นไปยังหน่วยเหนือเขาจะกอดเดมเราลงมาและเห็นว่าพวกเราสี่คนเนี่ยเสียสติกันไปหมดแล้วเรื่องอะไรก็ตามที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ขอให้คุณทราบเถิดว่าเราจะไม่ส่งข่าวให้พวกนั้นรู้เลยเป็นอันค่ะผมอยากขอความเห็นว่าเราจะจัดการกับซาก ข, ของมันยังไงดีในเมื่อจับได้คาหนังคาเข า, ขาอย่างนี้ผมอยากจะทำลายมันทิ้งซะให้มันหมดสภาพชนิดที่ไม่มีพลังอำนาจลึกลับอะไรส่งเข้ามาบงการใช้งานมันได้อีกเลยความจริงก็ควรเป็นเช่นนั้นแต่ผมคิดว่าเราไม่จาเป็นจะต้องคิดหาทางทาลายซากนี้เสียเวลาอะไรอีก คิดเสียว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้แล้วเพราะกระสุนเพียงสองนัดก็ทําให้กระดูกสบ้าหัวเข่าของมันแหลกและมันไม่สามารถจะเดินได้อีกแล้วต่อให้มีพลังงานของกระแสจิตหรือมนุษย์มืดใดๆมาสิงสู่มันอีกมันก็จะใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้ทิ้งมันไว้อย่างนี้แหละครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเผาทําลายมันเสียให้เป็นขี้เถ้าไปเลยเบลถามขึ้นบ้างอย่างรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าเจตนาจะเผากันจริงๆผมก็คิดว่าบุญคำพอทําได้ แต่บอกแล้วว่าเสียเวลาเปล่าต้องก่อฟืนก่อไฟและเฝ้าดูมันจนกว่าจะกลายเป็นเท่าพวกลูกหาบของเราขณะนี้ก็แยกทางเดินล่วงหน้าไปแล้วเราไม่มีเวลาพอที่จะเสียอยู่กับไอ้ซากที่ได้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วนี้ถ้ามันยังสามารถใช้งานอยู่ได้อีกตามวัตถุประสงค์ประสงค์ร้ายของมันมันก็ไม่คงทิ้งซากให้เราพบเป็นหลักฐานอย่างนี้หรอกครับอ้อไหนๆก็เสียเวลากันมาถึงที่นี่แล้ว ผมก็อยากจะให้พวกกันทุกคนได้เห็นอะไรมากกว่า น, นี้อีกเพื่อประกอบความคิดและช่วยกันพิจารณาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่อไปตามผมมาทั้งนี้อีกครั้งครับกล่าวจบแล้วฟินก็บกมือกับทุกคนและออกเดินนําตามทางด่านเล็กๆนั้นช้าๆโดยมีกําหนดตามกระชันชิดมาเป็นครวนัวโดยมีทั้งหมดตามกระชันชิดกันมาเป็นพรวนห่างจากตําแหน่งที่ซากไอพีดิบนอนเหยียดยาว อ, อยู่กลางทางด่านไม่เพียงยี่สิบหลาเท่านั้น พระพินนำทุกคนเรี้ยวซ้ายมือมาถึงบริเวณโคลนต้นสักขนาดใหญ่มีเนินปลวกสูงท่วมศีรษะอุดมไปด้วยซุ้มขอยขึ้นปกคลุมอยู่แล้วก็เอาปลายไลเฟินในมือชี้ไปยังบริเวณโคลนปลวกที่เลี้ยวเข้ามาพบกัยญากระทันหันนั้นทุกคนยืนยิ่งเป็นหินกันไปอีกครั้งจ้องเขม็งลำคอและดูเหมือนจะแห้ลําคอดูเหมือนจะแห้งผากไปหมดนี่เป็นการเล่นกลกันอย่างมโหลานทีเดียว ด็อกเตอร์แซนลี่ล้องออกมาดังๆผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่ประสาทที่หกบอกว่าศัตรูลึกลับของเรากำลังวางแผนเตรียมเล่นงานเราอยู่เต็ม ท, ที่สิ่งที่ทุกคนเห็นสภาพมันใกล้เคียงกับไอ้ซากที่กลิ่งโคโลอยู่กลางทางด่านที่ต่างเพิ่งเดินพระมาหยกๆนี่เองถ้าจะผิดกันไปบ้าง ก็เพียงแค่ร่างนี้พร้อมเพรียวเขาหน้าที่เป็นเพียงหนังหุ้มกระอกนั้นแลดูดุดันเฮี้ยมเกรียมกว่าไอ้ตัวเมื่อครู่นี้มากเครื่องแต่งกายของซาคมีเครื่องประดับมากกว่าลักษณะเหมือนจะเป็นข้าราชบริพารชั้นสูงในราชสำนักสำนักของกษัตริย์ยุคใดคงมืดมนเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิมยกเว้นแต่ระพินกับบุญคําเท่านั้นที่จะตระหนักได้ทันทีว่ามันควรจะมาจากที่ไหน นั่งเหยียดขายาวแขนทั้งสองวางอยู่บนเขาหลังพิงจอมปลวกริมฝีปากหน้าเกลียดเปิดเผยเยอะเล็กน้อยเห็นฟันอันเป็นกระดูกสีคล้ำแข็งทื่อโกงโก้ระหว่างที่พวกผู้ชายยืนจ้องนิ่งสองสาวปราดเข้าไปสำรวจทันทีเพราะมีความชำนาญในเรื่องซากโบราณมากกว่าและแล้วทั้งคููก็บอกกับทุกคนในคณะว่าสภาพเดียวกันไม่มีผิดเป็นซากโบราณที่หลุดออกมาจากหินย้อย ง, งอกออกเคลือบร่างกายบางส่วนไว้โปรดดูให้แน่อีกครั้งว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวกับที่เข้าไปเยี่ยมในแคมป์เราเมื่อคืนร้านใหญ่ถามเสียงต่ำอย่างความเห็นโน้ no, ไม่ใช่ไอตัวเมื่อคืนนี้อีกนั่นแหละมันเป็นคนละตัวกันรสตอบโดยเร็วอย่างมั่นใจทางนั้นก็แปลว่าสามตัวแล้วนะครับที่พวกเราเห็นไอตัวแรกที่เขาไปหากคอลูกหาบของเรา ตัวที่สองก็คือที่ผมยิงกระดูกเขาแหละนอนอยู่โน่นและนี่เป็นตัวที่สามนั่งยิ้มรอรับหน้าพวกคุณอยู่อาจไม่เจตนาที่จะให้ผมหรือพวกคุณได้เห็นหรอกแต่บังเอิญว่าภายหลังที่ผมยิงไอ้ตัวโน้นเคเก้ K K ลงไปแล้วก็พยายามออกสํารวจไปรอบๆจึงได้มาเห็นอีกตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู่ตรงนี้ท่าทางเขาสมาร์ทไม่ใช่เล่นทีเดียวแหละลักษณะน่าจะเป็นท่านหลอดหรือท่านเค้าอะไรทํานองนี้แต่คงไม่ใช่จากราชสํานักของอังกฤษ ไม่มีใครสามารถจะเกิดอารมณ์ขันได้อย่างเขาเลือดในกายของแต่ละคนแทบจะจับเป็นก้อนแข็งคีทําเสียงครืดคลาดในลําคอชดวุฒเอามืตอมตปบพระเครื่องที่แขวนคออยู่โดยไม่ได้ตั้งใจคริสกับเบลนั้นสแสดงอาการชัดว่าอกซันขวัญแขวนวุ่นวายใจเหลือขณะแต่หัวหน้าคณะพิเคราะห์ลึ ก, เ, กเทียนระเ่าบุญคาอุบอิบออกมาว่าชิบหายแล้วนายมันยกขย óng กันออกมาทั้งกรุเลยแยกย้ายแต่มาดักเราอยู่ตามที่ต่างๆทั่วไปหมด ไอตัวนั้นลุกไอตัวนี้นั่งสุดแต่ว่ามันจะเข้าสิงร่างไหนเหมือนเหมือนกับการเดินตัวในกระดานหมกลุกรับผินไม่สนใจอะไรกับคําพูดของสมุนขวาของเขาแต่สํารวจไปยังสีหน้าที่ปั้นยาของฝ่ายนายจ้างทั้งสี่คนซึ่งเหงื่อซึม เ, มเต็มหน้าผากเชิดวุฒกวาดสายตาไปตามพื้นรอบๆที่เต็มไปด้วยใบยไม้แห้งและสกิดคีดกับแตนดี้ให้ดูไปยังรอยตีนขนาดใหญ่ที่ย่าเป็นทางมาจากพงรกด้านขวามือ ก็มาสิ้นสุดเอาตรงตำแหน่งที่มันนั่งอยู่มองเห็นได้ชัดเจนชีดทันต่ออาการบอกใบ้นั้นจุดตัวลงสำรวจอย่างฝ่าเท้าของซากนั้นทันทีมันเดินมารอยของฝุ่นละอองและเศษดินปนใบไม้ยังติดอยู่ที่ฝ่าเท้าของมนันนีชัดเลยพวกนั้นพลูกันไปตรวจดูฝ่าเท้าของซากทันทีและครางแซดราพินยิ้มออกมานิดนึ่งอย่างพอใจอเมริกันกลุ่มนี้ เริ่มจะรอบครอบคุ้นเคยกับการตรวจสอบภาวะสิ่งแวดล้อมในป่าขึ้นบ้างแล้วอึดใจต่อมาสแซนลี่ก็เงยมองเขาตาสีฟ้าเบิกโพรงพวกผมเข้าใจผิดไปหรือเปล่ารับพินจากกร่องรอยเหล่านี้แสดงชัดว่าไอ้ตัวนี้เดินมาด้วยขาทั้งสองข้างของมันและมายึดตำแหน่งนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนจะรอคอยคำสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเคลื่อนไหวปฏิบัติการต่อไป ถ้าพวกท่านสามารถอ่านรหัสออกได้เช่นนั้นก็ดีแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนานสักเท่าไหร่แล้วจากร่องรอยที่เห็นอยู่นั่นผู้ถามคือคริสซึซ่งในภาวะเช่นนี้สามารถระงับสติอารมณ์ได้ดีกว่าเบลมากนะักสำหรับแม่ผมแดงสั่นเทิมไปหมดแล้วหน้าซีดเหลือสองนิ้วมีอาการเหมือนจะเป็นลมทั้ ง, ท, งทั้งที่เป็นหมอ้วยตัวเองประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงมาแล้วสังเกตจากรอยเท้าที่ย่าไป ย่ำพื้นใบไม้แห้งไว้นี่มันมีสักกี่ตัวนี่ที่แห่กันมาเตรียมเร่นงานเราอยู่แบบนี้คีดพูดพร้อมสะบทสวรรค์คงไม่รู้หรอกครับแต่นรกรู้ดีส่วนสำหรับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วโปรดอย่าถามผมอีกด้วยว่ามันจะลุกขึ้นมาเดินอีกเมื่อไหร่เพราะผมบอกไม่ได้ค้นดูให้ทั่วๆบริเวณนี้หมดแล้วหรือยังอาจมีพวกมันมากกว่านี้อีกก็ได้แตนลีย์ ตราตาสีฟ้าไปรอบด้านอันลกทึกคิดว่าในละแวกนี้น่าจะมีอยู่แค่สองตัวนี้เท่านั้นแหละครับเราไม่มีเวลาที่จะไปนค้นหาซากเหล่านี้ได้และผมไม่ขอแนะนําในสิ่งไร้ประโยชน์เสียเวลาก่อนที่คุณจะเข้ามาพบมันนั่งอยู่ในลักษณะนี้เห็นมันกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวใดๆบ้างไหมเชิร์วูดกระซิบถามเกือบจะไม่มีเสียงระพินสั่นศีรษะไม่ผมเดินมาพบมันนั่งแงะแกะอยู่ตรงนี้เฉยเฉยเหมือนท่อนไม้ ไม่ได้ขยับเขยื้อนเลยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นผมพอจะเดาออกแล้วแล้วว่าพวกมันออกมากันจากไหนเพราะบุญคำเล่าให้ผมฟังแล้วเกี่ยวกับเมืองอาถันชื่อนิทรานครที่พวกคุณเคยเผชิญกันมาก่อนแล้วนายทหารหนุ่มกระซิบพูดกับเขาต่อไปโดยชวยโอกาสขณะที่ฝ่ายอเมริกันโมเด็จจ้องสนใจอยู่ที่ซากนั้นจุดเดียวการใหญ่รอบสะกิดล้างมือเชิดวุญเชิงเตือนไม่ให้เ อ, อ่ยอะไรมากไปกว่านั้นกระซิบตอบ ค่หาโอกาสคุยกันสองต่อสองดีกว่าครับคีตเดินวนตรวจดูซากนั้นไปรอบๆแล้วใชส้ส้นผ่านท้ายลายเฟิรนกระทุ้งโครมเข้าไปที่ไหล่ด้านซ้ายของมันไอ้ซากหมื่นปีก็เอียงล้มตะแคงจากท่าที่นั่งพิงจอมปรวกไปทางด้านขวาเหมือนตุ๊กตาลม้มโดยมีทรงรูปร่างแข็งทื่อในลักษณะท่านั่งอยู่เช่นนั้นว่ายังไงพวกเรานายนั้นพูดดังๆเชิงขอความเห็นไปยัง พ, กพวกทุกคน เอาลูกปืนแบะกระโหลกมันออกไปเสียดีไหมรับรองกระสุนไรเฟิลสองสามนัดเท่านั้นถ้ายิงตัดเข้าไปบริเวณกระดูกก้านคอหัวจะหลุดออกจากกร่างฉันไม่ชอบที่จะไปพบเห็นไอ้ซากมื่นปีตัวนี้อีกครั้งเดินเข้ามาหาเราโดยไม่มีหัวแต่ยังมีกระดูกแขนและกระดูกขาพอที่จะเล่นงานเราได้คริสว่าถ้างั้นก็จัดการตามแบบที่รพินความไอ้นูนไปแล้ว ยิงทำลายกระดูกแขนขาของมันจะให้มันใช้ประโยชน์จากซากให้มันใหมันไม่ไม่ให้มันใช้ประโยชน์จากซากนี้ได้อีกพร้อมกับพูดคีดขยับลูกเลื่อนของไรเฟิลในมือขึ้นแล้วโบกมือไล่พักพวกที่ยื่นอยู่ในทิศทางที่หัวกระสุนอาจฉแฉลบไปถูกได้ให้ดีคทางออกไปแต่หัวหน้าคณะเนียวไลไว้เสียก่อนอย่าเพิ่งฉันคิดว่าเราไม่น่าจะเปลืองกระสุนไปเปล่า อย่างน้อยก็สีห้านัดและอีกอย่างหนึ่งเสียงปืนจะดังไปถึงพวกลูกฮาร์ปที่เดินแยกจากเราไปในขณะนี้พวกนั้นคงได้ยินเสียงปืนของรัพินก่อนแล้วพอไมาได้ยินอีกจะเกิดตกใจเพรา ะ, ะ, ะว่าพวังตัดสินใจไม่ถูกและเดาไม่ได้ว่าทางด้านเรามีอะไรขึ้นทางด้านเรามีเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นความรอบคอบอย่างยิ่งของดร์สแตนดี้ซึ่งตรงกับความรู้สึกของรัพินแล้วเราจะจัดการกับไอ้ซากนี้ยังไงคะอาจารย์เบลถาม วันหน้าคณะมองไปทางระพินมือรูปอยู่ที่ปลายคางนิ่งไปเหมือนจะรอะฟังเขาพูดเอางี้ไหมครับเราถือโอกาสที่พบซากมันนั่งนิ่งอยู่แบบนี้พิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งจอ ม, มคุเทศกล่าวช้าๆพิสูจน์อะไรเกือบทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันมองที่เขาคำแหงก็พิสูจน์ว่าเมื่อเราเดินพระจากมันไปแล้วมันจะสามารถลุกขึ้นมาเดินเคลื่อนไหวได้หรือไม่หรือว่ามันจะเป็นซากที่สนิทนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดการ ทุกคนตาเป็นประกายขึ้นอย่างกระตือรือร้นเห็นด้วยแล้วเราจะพิสูจน์ได้ด้วยวิธีไหนสแตนลี่ถามโดยเร็ววางกับระเบิดเขาตอบสั้นที่สุดก็เข้าทีอยู่แต่ตอนนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าพวกไดานาไมค์ของเราติดกับผีพอสัมภาระที่พวกลูกหากนํานำแยกทางไปก่อนแล้วจะเป็นการเสียเวลาอย่างยิ่งที่เราเดินทางไปพบกับขบวนลูกหาบแล้วเอาไดานาไมค์ย้อนกลับมาที่นี่คิดว่า ไม่จำเป็นถึงกับต้องเอาระเบิดไดนามิกหลอกครับเอาแค่ระเบิดมือที่ผมสังเกตเห็นพวกคุณโดยเฉพาะมิสกรูบินที่ติดตัวอยู่เสมอก็พอแล้วเราจะวางดักมันไว้ในลักษณะบูบบี้แท็แต่ผมต้องการระเบิดมือแบบ MK2 ซึ่งเป็นระเบิดมือใช้ทำลายที่มั่นหรือเครื่องกรีกรดขวางไม่ต้องการแบบลูกเลี่ยงชนิด M.26 เพราะ M.26 ให้ผลน้อยเกินไปด้าน ในด้านทำลายทราบลำพังสเก็ตี่้นเล็กที่กระจายเข้าฝังอยู่ตามร่างกายของมันนั้นไม่ให้ประโยชน์อะไรนะผมต้องการระเบิดชนิดที่สามารถแยกทําลายชิ้นส่วนในร่างกายของมันให้แหลกเหลยวย่อยยับได้ใครมีติดตัวอยู่บ้างไม่ครับในขณะนี้อเมริกันทั้งสี่มองหน้ากันเองไปมาคริสพูดเบาๆออกมาแต่เพียงว่า ฉันมีแต่เฉพาะ M.26 อยู่แค่สองลูกเท่านั้นแบบ MK.2 ไม่มีนายคีดกับแซนลีย์ก็ยืนกระพริบตาปริบๆแสดงว่าไม่ได้มีระเบิดที่ระพินต้องการเลยเบลนั้นไม่ต้องพูดถึงหล่อนไม่มีเครื่องมือประหัดประหารอะไรมากไปกว่าปืนพกสั้นติดเอวและ M.16 ประจําตัวเท่านั้นแล้วอย่างไม่มีใครคาดฝันมาก่อนทั้งสิ้นเชิดบุตรล้วงมือลงไปในย่ามหลังของเขา ค่อยๆหยิบระเบิดมือแบบน้อยหนาอันเป็นระเบิดมือรุ่นเก่าออกมายื่นส่งให้ระพินหน้าตาเฉยอเมริกันทั้งสี่มองเห็นเขาก็คลางอู้ออกมาพร้อมกันเพราะคาดคิดไปไม่ถึงเช่นกันระพินเองก็มีสีหน้างงกระพริบตามองเชิดวุธผู้ยังวางหน้าตายเช่นนั้นมันบังเอิญนนะ่ะบุตรชายท่านในผลที่ติดกับคณะด้วยบอกอ้อมแอมเหมือนกับจะเป็นการออกตัวกับทุกคน ติดอยู่ในย่ามหลังผมอยู่ลูกหนึ่งคริสจูบปากเบาๆวุฒคุณไม่ได้แสดงไว้ในรายการวัตถุสิ่งของที่พวกเรานำติดตัวมาในครั้งนี้ด้วยเลยนะสำหรับระเบิดมือแบบนี้พวกเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณมีมาด้วยเชิดวุฒยักไหลยิ้มเจอิๆก็อาจเหมือนพวกคุณนั่นแหละรายการทุกสิ่งทุกอย่างที่นามาในครั้งนี้ คงไม่ได้แจ้งไว้ให้พวกเราทั้งหมดคือฝ่ายผมและรพินได้รู้ทุกอย่างไปว่ามีอะไรบ้างโดยรวมอยู่ในเครื่องมือทางเทคนิคของพวกคุณมันอาจมีเครื่องอุปกรณ์ในการในทางยุทธภัณฑ์ที่ฝ่ายผมไม่รู้มาก่อนแสงซ่อนมาด้วยก็ได้แต่อีกเพียงแค่ระเบิดมือแบบโบราณที่ผมติดมาด้วยแต่ไม่ได้แสดงบอกไว้ในรายการก็ไม่น่าจะจ้องจับผิดอะไรกันผมมีไว้สาหรับสกัดูงสัตปาที่อาจพุ่งเข้าโจมตีพวกเราเป็นจานวนมากๆอย่างเช่น ช้างโขงหรือฝูงหมาป่าเป็นจํานวนพันพันตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้และระเบิดแบบนี้มันน่าจะให้ผลได้มากกว่าระเบิดแบบสังหารคนที่พวกคุณไม่ติดตัวมาตอนนี้พวกคุณก็มองเห็นประโยชน์แล้วมรพินต้องการขึ้นมาโดยที่พวกคุณไม่มีให้เขาได้ดีแล้วที่มีระเบิดมือแบบนี้ติดมาด้วยหัวหน้าคณะกลางเหมือนจะไม่ติดใจอะไรนะก็แต่คุณมีมาด้วยสักกี่ลูก ก็คงไม่เกินเจ็ดลูกกระมังผมใส่หีบรรจุรวมอยู่ในเครื่องกระสุนของพวกเราในสัมภาระส่วนกลางที่พวกลูกหาแบกไปนั่นแหละแต่ติดย่ามหลังอยู่นี่ลูกเดียวบอกกันให้หายกังขาเสียเลยว่าไม่ได้มีไว้เพื่อเจตนาจะโ ย, น, ยนใส่พวกคุณหรอกอย่าระแวงอะไรไปเลยเรามาทำงานร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันไม่ใช่มากันแบบศัตรูอย่างนั้นไม่ใช่หรือไม่มีใครแสดงอาการชนิดใดอีก ด้มิฉะนั้นก็อาจเก็บความไม่พอใจไว้อย่างมิดชิดโดยหันมามุ่งแต่เรื่องเฉพาะหน้าก่อนประพินซ่อนแววยินดีไว้ภายใต้สีหน้ากระด้างปกติของเขารู้สึกพอใจไม่น้อยที่พิสูจน์ออกมาได้ว่าลูกชายของท่านในผลที่ร่วมทางมากับเขาด้วยไม่ยอมทิ้งลายของชายชาติทหารไทยและมีเหลี่ยมครูพอตัวโดยไม่ยอมเสียเปรียบฝ่ายสายลับของอเมริกันเกินไปนะเขารับระเบิดมือลูกนั้นมากรรมไว้ เอาละครับเราจะดาเนินการกันเดี๋ยวนี้เลยวิธีการของเราก็ทำกันอย่างง่ายๆมันอย่างที่พวกคุณรู้ดีกันมาแล้วคือเราจะเอาซากนี้ขึ้นมานั่งในลักษณะเดิมของมันโดยถอดสลักนิรภัยของ MK ถููกนี้ออกใช้ร่างกายและน้ำหนักตัวของมันเองทับกระเดืองชนวนของระเบิดรูปนี้ไว้ถ้ามันยังนั่งนิ่งตลอดไประเบิดก็จะไม่แสดงผลอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามันขยับลูกขึ้นเมื่อใด กระเดืองจะ ด, ดีดสับจำนวนและไอ้น้อยหนาลูกนี้ก็จะตูมขึ้นอนุภาพทําลายของมันเชื่อว่าร่างของซากนี้ต่อให้แข็งแกรงขนาดสักขนาดไหนก็คงแยกออกเป็นชินช้นๆกระดูกกระเดี้ยวจะแหลกเหลวหมดและเราก็อาจได้ยินเสียงระเบิดด้วยถ้าเรายังไปกันไม่ห่างเกินไปนะักซึ่งให้ผลที่เราต้อง ก, การสองประการพร้อมกันคือหนึ่งพิสูจน์ให้รู้ชัดว่าพอเราพระห่างไปแล้วมันจะเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าและสองถ้ามันเกิดเคลื่อนไหวได้ ร่างของมันก็พังพินาศใช้การไม่ได้อีกทันทีไม่ต้องใช้กระสุนปืนทําลายโครงกระดูกของมันให้เปลืองเปล่าและเออเกลิกไปโดยใช่ที่เพราะตอนนี้มันเป็นซากแข็งที่อยู่เฉยๆยังไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นเป็นความคิดที่ดีมากกระพินหัวหน้าคณะตบไหล่เขาเบาๆว่าแต่ใครจะเป็นคนพยุงร่างของมันขึ้นนั่งในท่าเดิมและใครจะเป็นคนถอดสลักแล้ววางระเบิดไว้ใต้ตัวมัน เราจะต้องทําอย่างประสานงานสอดคล้องกันให้ดีที่สุดถ้าวางผิดตําแหน่งหรือพลาดกระเดิงดีดออกมาเสียก่อนพวกเราทั้งหมดจะยุ่งคมเละกันไปเสียก่อนทั้งเจคนนี่แหละรานใหญ่ชูระเบิดไปทางคีธเพื่อความสบายใจของพวกคุณคีธคุณเป็นคนถอดสลักและคอยสอดระเบิดลูกนี้เข้าไปใต้ก้นของซากนี้ผมกับบุญคําจะพยุงซากของมันให้ขึ้นมานั่งทับเองคีธโบกมือผมหรือคุณก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราไว้วางใจฝีมือคุณเต็มที่ คุณเป็นคนวางระเบิดก็แล้วกันผมกับบุญคําจะยกซากมันขึ้นเองระหว่างที่ผมกับบุญคํายกซากของมันขึ้นคุณหาตําแหน่งวางระเบิดให้ดีที่สุดชนิดที่ให้ซากของมันทับไว้อย่างมั่นคงไม่ใช่พอวางระเบิดเสร็จตั้งซากเสร็จซากมันก็ล้มตะแคงลงอีกตอนนี้แหละเราจะกลายเป็นหมูสับกันไปหมดก่อนมันเสีอีกจอมพรานยิ้มนิดนึงก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยละเพราะผมก็ไม่กล้ารับรองว่าซากของมันจะนั่งนิ่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า อาจจะล้มตะแคงลงไปได้ในทันทีที่ระวางระเบิดเสร็จเพราะฉะนั้นมีคนที่ทำงานนี้ที่จำเป็นจะต้องเสียงอยู่สามคนคือผมเคอเนลคีตและบุญคำผมอยากจะขอร้องให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนกระจายออกให้ห่างรัศมีประมาณสิบเมตรแล้วเข้าหลบหลังต้นไม้ใหญ่ๆไว้ประโยคหลังเขาหันมาทางหัวหน้าคณะเชิร์ดวูดเบลและคริส ถ้าไม่เชื่อมือคุณในครั้งนี้ก็เห็นจะไม่ต้องเชื่อในครั้งต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจะยืนดูคุณทำงานอยู่ใกล้ๆนี่แหละถ้าพลาดก็ตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครคิดที่จะหลบข้อหากำบังหรอกสแตนลีย์ตอบมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆเชิดบุตรเองก็ยืนกอดอกดูเฉยส่วนเบลกับคริสอามากฝรั่งออกมาแจกกันเคี้ยวเยอบๆไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนขวัญเสียอย่างใดทั้งสิน้นและไม่ขยับขยื้อน เมื่อทดสอบประสาทระพินกระชากสลักนิรภัยของ MK จุดสลูกนั้นออกมาในทันทีอีกมือหนึ่งกำคร่อมทับกระเดืองไว้ชูให้ทุกคนเห็นในภาวะเช่นั้นถ้ามันเกิดพลรรัดหลุดมือเขาหรือมีเหตุอันใดมาทําให้สปริงของกระเดืองจำนวนที่เตรียมจะดีตัวออกอยู่ตลอดเวลาสลัดหลุดพึ่งออกไปเมื่ อ, อไรก็เพียงไม่เกิน5วินาทีเท่านั้นมันจะตูมขึ้นและต่อจากนั้นก็ไม่ต้องทํานายแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนทั้ง7ในคณะ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 โ okay, อเครพินปัญหาที่เหมาะวางระเบิดเข้าไปใต้ตัวมันได้ทันทีผมกับบุญธรรมจะประคองซากมันไว้ก่อนถ้าเห็นว่าได้ที่แล้วก็บอกด้วยจะปล่อยมือออกในคิดร้องออกมาระหว่างที่ผลักซากานั้นขึ้นช้าๆจอมพรานซุดตัวลงนั่งใกล้ๆอีกด้านหนึ่งของซากซึ่งขณะนี้ได้ถูกผลักพยุงให้เองขึ้นมาโดยมีก้นของซากทางด้าน ข, ข า, ขาสูงจากระดับพื้นประมาณหนึ่งฝ่ามือ พอที่จะสอดระเบิดเข้าไปใต้ก้นของมันได้สุภาพบุรุษพลายซ่อนยิ้มเหลือบตาขึ้นดูสองสาวซึ่งยืนรวมกลุ่มอยู่กับหัวหน้าคณะและเชิดวุฒทางจากเขาออกไปเพียงวาเดียวแกล้งถามขึ้นอีกครั้งผมกําลังจะสอดระเบิดเข้าไปอยู่เดี่ยวนี้แล้วตัดสินใจให้ดีอีกครั้งโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะยืนอยู่ที่นี่ด้วยจะหลบข้างหาโคนไม้ใหญ่ไว้ก่อนในกรณีที่ผมพลาด แทนที่จะวันไวต่อคําพูดกึ่งคมขวัญกึ่งสัพยอของเขาลรากับนัดกันไว้ทั้งแม่ผมทองและแม่ผมแดงก้าวเข้ามาซุดกายเคียงขนาบข้างเขาทั้งซ้ายและขวาทันทีอยากขู่ริสพูดต่ำยินย้นิดนิที่มุมปากฉันรู้ว่าคุณเองก็ไม่อยากฆ่าตัวตายเหมือนกันและนี่เป็นครั้งแรกที่จะพิสูจน์ว่าพวกเราที่เมาด้วยกันทั้งหมดนี้ถ้าเราอยู่ได้ถ้าเราอยู่ก็จะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าจะถึงภัยพิบัติเมื่ อ, อไหรจะวอดวายลงพ ร, พร้อมๆกัน เอาละสอระเบิดเข้าไปเลยมิสเตอร์ฮันเตอร์เสียงของเบลใสายปนหัวเราะอาการของทั้งสองสาวไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งเพื่อจะอวดความกล้าหาญใดใดทั้งสิ้นแต่มันออกมาจากธรรมชาติแท้จริงของจิตใจแต่ละคนซึ่งมีท่าของนักผจนภัยที่น่านับถือประพินเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเขาคิดไปไม่ถึงเหมือนกันว่าทั้งคริสและเบลจะเด็ดเดียวเช่นนี้พวกคุณทั้งหมดใช้ได้ต่อไปนี้ก็ถึงไหนถึงกันละเอาละนักคิดประโยคหลังเขาหันไปร้องบอกยีไอ ยศพันเอกที่กําลังดันซากอยู่กับบุญคําผมได้ตําแหน่งเหมาะๆใต้ก้นมันแล้วเป็นบริเวณแองพอดีผมจะวางระเบิดละค่อยๆผลักซากมันขึ้นมาอย่าเพิ่งปล่อยมือจนกว่าผมจะบอกว่าโอเคชีตพยักหน้ารับตนเองผลักประคองซากไว้ทางด้านศีรษะและไหล่ส่วนบุญคําดันไว้ทางด้านตะโพกของซากซึ่งมีสภาพไม่ผิดอะไรกับไม้ท่อนเระพินเอาตัวระเบิดวางลงไว้ในร่องแองเล็กๆ บริเวณที่ก้นของซากซึ่งถ้าผลักตรงขึ้นมาก็จะนั่งปิดทับไว้โดยวิธีเอาด้านกระเดืองขึ้นตำแหน่งนั้นเขาแน่ใจที่สุดว่าตัวระเบิดและกระเดืองจะถูกทับให้สนิทนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นโดยไม่มีการกริ่งหรือเคลื่อนไหวได้จนกว่าซากจะมีการขยับเขยื่อนฝากก็ร้องสั่งให้คีดค่อยๆผลักซากให้เองในแนวตั้งขึ้นทีละน้อยพอบริเวณก้นของมันแตะกับมือเขาที่กำกระเดืองไว้ก็ค่อยๆปลดมือออกโดยขยับล้นไปตามลำดับ ครั้งล่าสุดมีหัวแม่มือของตนกดไว้ที่ปลายกระเดื่องโอเคผลักตั้งตรงเลยเขาสั่งทั้งคีตและบุญคํานํำซากนั้นขึ้นนั่งพิงจอมปลวกอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลาเดียวกับที่รพินก็ดึงหัวแม่มือที่แตะกดกระเดื่องไว้เป็นครั้งสุดท้ายออกปล่อยให้น้ําหนักตัวของซากนั่งทับกระเดื่องแทนพร้อมกันนั้นเขาก็ชักมือออกจากใต้ซากนั้นปัดมือทั้งสองไปมาในขณะที่ทุกคนซึ่งจับซึ่งจ้องมองอยู่ตลอดเวลายกเว้นคีตกับบุญคํา ขึ้อยู่ด้านหนึ่งพากันถอนใจเฮือกออกมาอย่างโล่งอกหวังว่าระเบิดของคุณเชิดวุฒคงไม่ด้านนะครับเขายืนขึ้นพูดยิ้มๆรับรองว่าระเบิดของผมน่าไม่ด้านแน่แต่ถ้าหากตอนที่มันลุกขึ้นลเคลื่อนไว้อย่างใดไอ้ผีหมื่นตัวนี้ไอ้ผีหมื่นปีตัวนี้สอดมือเข้าไปกรำระเบิดและกระเดื่องไว้ก่อนแล้วตามหลังพวกเราเอาระเบิดไล่ขว้างใส่แล้วก็ข้อนี้ผมไม่รับรองเหมือนกันทุกคนอดไม่ได้ที่จะต้องหัวเราะในคําพูดของเชิดวุฒ มันคงไม่รู้หรอกครับว่ามันนั่งทับอะไรไว้และวิญญาณร้ายใดๆก็ตามที่จะเข้ามาสิงสู่ร่างของมันต่อให้มีอิทธิฤทธิ์ร้ายสักแค่ไหนผมก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้เรียนยุทธวิธีหรือรักษาในเรื่องระเบิดหรือศึกษาในเรื่องระเบิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเอาหัวเป็นประกันได้ว่ามันคงทําไม่ได้อย่างที่คุณเชิดวุฒว่าหรอกเราไปกันได้แล้วกระมังกล่าวจบ เขาก็เดินไปช่วยไรยเฟิลที่วางพิงไว้ตรงลากไม้ขึ้นมาขณะนี้คี ก, กับบุญคําก็เดินเข้ามาร่วมกลุ่มตลอดเวลาดร์สแตนลีย์ไม่ได้ปรีปราพูดทาใดเลยเขายืนอยู่ตรงข้ามกับซากที่นั่งเหยียดขาพิงเนินปลวกอยู่นั้นและดูเหตุการณ์อยู่ทุกระยะตาไม่กระพริบและบัดนี้ก็จ้องพินิจอยู่ที่อยู่โดยไม่เปลี่ยนสายตาเหมือนจะ ก, กะคํานวณระดับที่ซากนั่นอยู่นั่งอยู่ว่ามันจะอยู่ในมุมเดิมในแนวลําตัวตั้งตรงเหมือนตอนแรกหรือไม่ครั้นแล้วทันทีนั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุด คนหันขวับได้เย็นตั้งแต่เส้นผมโรวดปลายเท้าซากนั้นมีอาการ ค, าค่อยๆเอ็นลงทีละน้อยทําท่าจะล้มตะแคงลงไปตามทิศทางเดิมกับที่คิดและบุญคําได้ยกตัวมันตั้งขึ้นมาครั้งแรกก็ช้าๆก่อนจนแทบจะสังเกตไม่เห็นแล้วต่อมาก็ล้มเหมือนท่อนไม้ไม่ท่อนไม้ที่เสียดุลจากการจับตั้งคริสตินาโถมเข้าประชิดอิซาเบลกระชากล้มลงกับพื้นคว่ำหน้าแขนทั้งสองควายตะปบไว้ที่ต้นคอหน้าซบแนบดินเชิดวุดเพนตัวลอย รากับนักกระโดกะดกละไโอลิมปิกก็ไม่ปรานร่วดเดียวข้ามภูรากไม้ลงไปนอนกริ่งบังอยู่หลังภูของรากไม้ซึงแน่นหนะเรากับกำแพงนั้นคีธสแตนลีย์และบุญคํายืนตัวแข็งตะลึงพลิงเพลิดระยะที่ทั้ง3คนยืนอยู่ห่างจากซากนั้นประมาณ3ามวานมันเป็นเสี้ยววินาทีของทุกคนที่สํานึกบอกกับตนเองว่ากําลังเผชิญหน้ากับนรกตายกับตายประตูเดียวเท่านั้นไม่มีทางเลือกอย่างอื่นปรากฏการอันสยองนิบัติขึ้นในขณะที่ระพินพลาวานันเพิ่งจะ ก, ก้าวออกมาเป็นก้าวแรก ภายหลังจากที่ช่วยไลเฟิร์นของเขาขึ้นมาและในขณะนั้นเขาอยู่ห่างจากซากซึ่งกําลังเอง็นร่ำลงมาทางด้านที่ตนเองยืนอยู่แค่2ว่าภาพที่ตนเองเลี้ยวขับไปพบตามเสียงร้องบอกของด็อกเตอรสแตนลี่นั้นตะแคงลงอย่างเห็นชัดด้วยสัญชาตญาณมากกว่าจะเป็นการสั่งการด้วยประสาทจอมาคุเททิ้งไลเฟิร์นในมือลงเพนพรวดเดียวเข้าประชิดซากมืนปีนั้นพร้อมทั้งเอามือยันไว้ก่อนที่มันจะตะแคงลงมามากกว่านั้นป๋าก็ตะโกนสุดเสียงว่ามอบลงขี้กับสแตนลี่เพิ่งได้สปีทิ้งตัััวลงนนนนอากบพื้ทที เพราะนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทําได้ซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่อาจบอกได้เหมือนกันว่าเมื่อมันตูมขึ้นมาจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรบ้างเพราะระยะทางมันใกล้เหลือเกินบุญคํำน่าสงสารที่สุดเพราะแกทําได้เพียงแต่ซุดลงนั่งยองๆเอามือปิดหูปิดหัวไว้ร้องนะโมออกมาแทบจะไม่เป็นภาษาคนตัวระพินเองซึ่งโดดเข้าไปยานร่างนั้นไว้ก็สะกดกลั้นใจบอกกับตนเองว่านี่คือวรรคสุดท้ายแห่งชีวิตของเขาแน่แล้วลาก่อนดารินยอดรักนั่นคือสิ่งที่จะคิดได้ในภาวะเช่นนี้ดวงตางเขาเบิกโพรง อึใจใยเต็มๆของความเงียบสงัดที่ทุกคนรอฟังเสียงระเบิดความเงียบงานยังปกคลุมอยู่เช่นเดิมรานใหญ่เริ่มนับดังๆจากหนึ่งไปจนถึง10เงียบไม่มีเสียงระเบิดหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมองดูซากที่เขาเอาตัวเข้าไปแบกยานเอาไว้ขณะนี้ปรากฏว่ามันเอ็นลงในมุมองศา25องศาจากแนวที่นั่งตัวตรงอยู่ อ, องศาที่เอ็นไปขนาดนั้นมันเป็นไปได้ทั้ง2กรณีคือสลักระเบิดดีตัวทํางานแล้วแต่บังเอิญได้หรืองมิฉะนนัลผายใต้ร่างกายอันใหญ่โตของมัน ที่ทับกระเดื่องไว้ยังไม่ได้ยกขึ้นในมุมสู่พอที่กระเดื่องจะดีตัวได้คนที่พงกศีรษะขึ้นมาดูเป็นคนแรกคือพันเอกคิธผู้คุ้นเคยกับระเบิดมากที่สุดจ้องมองไปทางระพินซึ่งยันซากนั้นอยู่พร้อมกับอุทานว่าเฮ้ hey, มันไม่ทํางานคนต่อมาก็ทะลันพรวดขึ้นยืนคือหัวหน้าคณะสีหน้าเต็มไปได้วยความตกใจและป ร, ะราดใจละคนกันป ร, ราศจากสีเลือดส่วนเบลกับคริสขยับตัวขึ้นมาเป็นคู่ขาวจ้องกระลึงไป เสียงดร์สแตนลีย์ผู้รอบขอบสั่งกระหรือกระหอบมาอีกครั้งว่าหลบข้าหลังต้นไม้เร็วแมวสาวทั้งสองทะลันลุกขึ้นพุ่งตัวอ้อมเข้าไปบังอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวกับที่เชิญวุฒิไปนอนแอ บ, บอยู่แล้วบัดนี้เหงื่อไม่เป้งเป้ ง, ป, งปรากฏอยู่บนหน้าผากของราพินไครวันผู้ยังใช้กําลังแขนคํำยันสร้าง อ, อุบาทนั้นอยู่คิดเขล้องเสียงหนักๆเข้ามาดูใต้ก้นของมันเร็วก็ดึงดีตัวออกมาแ ล, แล้วยังถ้าดีตัวออกมาแล้วล้วงมือเข้าไปหยิบออกมาคว้างไปทางด้านโน้นเร็วชนวนอาจทางานเช้าหรือขัดข้องได้เปอร์์เเ็นงการระบิดยัมี นายผมทรงลานบินก็ใจถึงเหมือนกันเขาผลักแซนลี่ให้วิ่งเข้าไปบังอยู่หลังต้นไม้ต้นข้างนึงก็ถีบสีข้างบุญคําที่นั่งยองๆ อ, อยู่พลักเข้าไปร้องตะโกนสั่งให้หลบเข้าหาที่กำบงังอันแข็งแรงกว่าการนั่งจ้องอยู่เช่นนั้นแล้วตนเองก็เพลนเข้ามายังซากนั้นอีกด้านหนึ่งของกระพินสุดกายลงก้มอยู่ใต้ก้นของซากทันทีเนื่องจากกระพินประคองซากนั้นไว้ในลักษณะเดิมยังไม่ได้ผลักให้ขึ้นมานั่งตรงบัดนี้จึงมีแต่เพียงพานใหญ่และนายผมทรงลานบินเท่านั้นที่เสี่ยงชีวิตกันอยู่แแคค่่่2นนนนอออกัั้้้ไปปยยูทีลลดดภหมว คิดแยกเขี้ยวก้มลงพิจารณาอยู่อึดใจใหญ่ก็เป่าลมแก้มก่องทําตาเลือขึ้นไปบนสวร Thanks God. รค์แท้งก้อกระเดืองระเบิดยังถูกทับอยู่แต่ง้างเพเยื้ขึ้นมาแล้วถ้ามันเอลงไปมากกว่านี้อีกนิดเดียวเท่านั้นก็สวัส ด, ดีความเศร้ากล่าวจบในพันเอกแห่งอุเอสอามีก็พูดลุกขึ้นช่วยเราพินร่างเอาศีรษะของซาคนั้นให้ขึ้นมานั่งตรงตามเดิมตะอย่างระมัดระวังพร้อมกับร้องตะโกนบอกพรรคพวกว่าปลอดภัยแล้วออกมาได้กระเดืองระเบิดยังไม่หลุดเพราะมักุเทศใจเด็ดของเราโดดเข้าไปรับซาของมันไม่ได้ทัน บราอีกห้าคนในที่กำลังก็พลุ ก, กันออกมาด้วยสีหน้าอันปั้นยากที่สุดปรับพินนั้นเพิ่งจะมีโอกาสหายใจออกมาได้ยังไม่ยอมปล่อยมือจากการยึดซากนั้นและรู้สึกหายใจสะดวกขึ้นเมื่อเห็นคีตมาช่วยรั้งไว้อีกแรงหนึ่งยกแขนข้างหนึ่งขึ้นป้ายเช็ดเหงื่อบุญคำ้ำข้อตะโกนเรียกคนของเขาซึ่งบัตรนี้จดจดจ้องจ้องเข้ามาหน้าตาป๋อหลอตัดกิ่งไม้มาเร็วสองอันยาวอันละสองวาเราจะช่วยกันค้ำยันซากของมันไว้ไม่ให้มันล้มลงอีกเร็วเข้า คิดคุณอย่าเพิ่งปล่อยมือนะประโยคหลังเขาหันไปร้องบอกอเมริกันร่างยักษ์อดีตคู่อริเก่าซึ่งบัดนี้มีแต่ความเป็นมิตรอันเปิดเผยคิดพยักหน้ารับคำเต็มที่ส่วนบุญคำกระโดดไปตัดกิ่งไม้ทันทีโดยมีเชิดวุฒช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยมิกิอึดใจเท่านั้นทั้งสองก็ได้ท่อนไม้ขนาดเท่าข้อมือยาวพอประพอเหมาะสีท่อนและช่วยกันประสานงานอย่างรวดเร็วทั้งสองด้านของจากหมื่นปีที่ทําท่าจะเล่น กลนล้มหลงง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลสมควรนั้นถูกท่อนไม้ค้ำยันเข้าที่ก้านคอดุ่นหนึ่งที่สีข้างอีกดุ่นหนึ่งโดยคำไว้ทั้งสองด้านปลายไม้ผักปักฝังลงไปในดินตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดชนิดที่มันจะไม่มีโอกาสทำตัวเป็นตุ๊กตาล้มลุกได้อีกเลยพอเสร็จสัพท์ของการช่วยอย่างกุรีกุจอา น, นระพินก็พยักหน้ากับคิธเอาละ่ะปล่อยมือได้แล้วคิธคราวนี้มันจะไม่มีโอกาสล้มได้ไม่ว่าด้านซ้ายหรือขวานอกจากวิธีเดียวเท่านั้นคือลุกขึ้นถ้ามันลุกได้ คีทปล่อยมือออกหาถอยห่างออกมาพร้อมเขาระพินเช็ดเหนืออีกครั้งตาหลี่ยิบหยีจ้องดูซากนั้นอย่างแคลงแคลงใจคนที่เข้ามาจับมือเขาคือด็ตอร์แซนลีย์หัวหน้าคณะการจับนั้นบีบกระชับแน่นและสั่นแรงๆระพินพวกเราทั้งหมดรอดตายได้ในครั้งนี้เพราะความไวและสติอนันดีเยี่ยมของคุณรานใหญ่สะบัดหน้าไปมาอย่างมึนงงแล้วยิ้มฝืดๆมองหน้าทุกคนที่ยืนรายล้อมอยู่ในลักษณะ ที่ยังไม่สางจากการอกสันขวัญแขวนคิดซะว่าเป็นเรื่องโชคดีสำหรับเราทุกคนเถอะครับตอนที่ผมโดดเข้าไปยันร่างมันไว้ขณะที่เอียงกระเทยเร่ลงมานั้นผมก็คิดถึง 99.99% 99ว่ามันจะต้องระเบิดแน่สวรรค์เบื้องบนช่วยเราไว้แท้ๆ ท, ที่มันยังไม่เอียงลงมาไม่พอกับที่กระเดื่องจะทันดีดหลุดว่าใจผมจะวายเสียให้ได้เราจบเขาก็สุดตัวลงไปนั่งกับแง่หินก้อนหนึ่ง ที่โผล่พ้นดินขึ้นมายัางหมดเรี่ยวแรงวักบุรี่ออกมาจุดสูบอัดควันหนักหน่วงคริสและอิสเบลยังมีใบหน้าขาวซีดเป็นกระดาษและยังพูดอะไรไม่ออกอยู่เช่นนั้นนายคริสเปิดกระติกบรันดีออกมาเทใส่ป่ายังกระดื่มน้ําแล้วแจกจ่ายไปยังทุกคนเหมือนจะช่วยกระตุ้นให้เลือดลมเดินเป็นปกติแล้วส่งมือเฮราพินจับอีกคนหนึ่งเขย่าแรงเช่นกันโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นสําหรับเชิดวุฒภายหลังจากบุญคำเอาไม้ยันซากได้เสร็จเรียบร้อย ก็หันมายกแม่มือให้พรานใหญ่พลางยิ้มถ้ามันตูมขึ้นมาตะ ก, กี้นี้ผมคิดว่าคงจะเหลือผมอยู่คนเดียวในชุดพวกเราเจคนนี้แล้วก็อาจหลงป่าตายไปเองทีหลังฮ่าฮ่ามันพะยาค่ะพรานใหญ่ชูหัวแม่มือตอบและยิ้มให้ครับผมเห็นแล้วว่าคุณวุดเป็นนักโดดไกลที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนและนั่นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้เราทุกคนร่วมเป็นร่วมตายกันก็จริงแต่เมื่อภาวะจําเป็นขีดสุดมาถึงแล้วเช่นนี้ เรื่องอะไรที่คุณจะมามัวยืนเซอ่ออยู่หรือต้องเข้ามากอดคอตายพร้อมๆกับคนอื่นๆใครมีความสามารถในการรักษาตัวรอดเช่นไรก็ควรปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองไปก่อนผมเห็นว่าคุณทำได้ถูกกล้องที่สุดแล้วต่อไปก็ขอให้รู้จักช่วยตัวเองให้เร็วที่สุดแบบนี้ด้วยนั่นเป็นคำพูดอย่างชมเชยกันอย่างจริงใจและเจ้าตัวคนที่ได้ยินก็ตะนักได้ไม่มีใครตาหนิเชิดบุตรในการที่วินาทีดับจิตนั้น สัญชาตยานทําให้เขาต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนไม่ได้เกิดจากความขลาดกลัวหรือเจตนาจะปล่อยให้คนอื่นๆพบกับลายภัยพิบัติมันเป็นอุปั ต, ตวะเหตุที่เกินกว่าที่จะเข้าแก้ไขหรือช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้นเนื่องจากเชิดวุฒิในขณะนั้นอยู่ห่างไกลจากซากไอ้ผีดิบมากกว่าทุกคนชนิดที่ชาจะทลันเข้ามายันซากไว้ก็ไม่ทันการทั้งหมดพากันสุดายลงนั่งพักเพื่อสงบสติอารมณ์ที่กระเจิงกระเจิงให้คืนสู่สภาพ ป, ปกติบัดนี้ ระพินจำแนกคุณสมบัติประจำตัวของบุคคลที่ร่วมทางมากับเขาได้ท่องแท้แล้วเชิดวุดิว่องไวและมีสติในการเอาตัวรอดได้มากที่สุดจนไม่ต้องห่วงอีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นอันเชื่อได้แน่ว่าเขาจะต้องหาทางหลบหลีกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งคริสรวดเร็วกว่าเบลและมีความรักเพื่อนพร้อมทั้งมีวิญ ญ, ญาณกล้าหาญเสียสละพอตัวในการที่โถมข้อประทาและกระชากให้ล้มหมอบราบกับพื้นแม้ว่าโดยวิธีนั้นก็ยังไม่ทราบแน่ว่า หากระเบิดมันตูมขึ้นจะรอดพ้นอันตรายหรือไม่แต่แม่ผมทองก็ทําได้ดีที่สุดแล้วคีดกล้าหาญแต่เชื่องช้าไปหน่อยสําหรับนาทีวิกฤตพอ่อโมเตยืนตะลึงอยู่ด็อกเตอร์สแอนลี่นั้นรอบคอบอยู่เหมือนเคยตามนิสัยของหัวหน้าคณะถ้าไม่ใช่เพราะอาเมริกันอาวุโสผู้นั้นคอยจ้องสังเกตซากอยู่ตลอดเวลาแล้วร้องเตือนทุกคนไอ้ซากผีนั้นจะต้องล้มลงและระเบิดจะต้องทํางานของมันขึ้นแน่นอนก่อนที่เขาจะทันไปเห็น แต่อย่างไรก็ตามประสาทสั่งงานในด้านการเอาตัวรอดของดร์สแตนลีย์ก็ยังเชื่องช้าอยู่ตัดเท่าบุญคำสมุนขวาของเขาอยู่นอกประเด็นเพราะแกไม่รู้จักพิษสงของระเบิด MK.2 มาก่อนและมัวแต่ยืนเซอ่อซ่าอยู่พอได้รับคำสั่งให้หมอบแกก็เพียงแค่นั่งยองๆงลงเอามือปิดหัวอย่างไร้เดียงสาซึ่งทั้งหน้าหัวเราะและหน้าสมเพศระคนันถึงอย่างไรก็ตามทั้งห้าคนของฝ่ายนายจ้างของเขา ล้วนใจถึงด้วยกันทั้งสิ้นจากเหตุการณ์ที่พิสูจนในครั้งนี้ส่วนทางด้านฝ่ายในจ้างทั้งห้าคน <c oughs> บัดนี้ไม่มีข้อกังวลใดๆอีกแล้วสำหรับพรานนำทางที่ชื่อรพินไพรวันคนคนนี้มีสมรรถภาพเหนือกว่าที่เคยคาดคิดหรือสอบประวัติกันไว้มากนะักในด้านการประจั น, น้าและแก้ไขกับพยานตรายทุกชนิดเป็นหลักประกรันที่อบอุ่นใจได้มากที่สุดแม้จะไม่มีใครพูด แต่ความรู้สึกก็บอกอยู่ภายในของทุกคนเบลนั้นพอสงบสติอารมณ์ได้ก็เดินเข้ามาจูบแก้มอันซากไปด้วยคราวของเขาดื้อๆแรงๆหนึ่งครั้งเกรซแมนคุณยิ่งใหญ่จริงๆไพรวันถ้าผู้หญิงคนไหนเขาม่หัวใจให้แก่คุณเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทำไมทั้งที่ดูสารรูปภายนอกผัดผาดแล้วคุณไม่มีอะไรเลยสิ่งที่คุณพูดไว้พิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงนั่นคือถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้น คุณจะยอมตายก่อนคนอื่นๆในคณะนั่นเป็นความจริงใจของแม่ผมแดงเช่นกันคริสยังเงียบกริบอยู่เช่นนั้นนอกจากทอดดวงตาสีฟ้างามจับนิ่งมาที่เขาไม่กระพริบประกายตาคู่นั้นซอแววคิดลึกซึ่งละพินมองเห็นแต่ก็เมินผ่านไปเสียเขาไม่อยากจะประสานตาคริส น, น, นานๆรู้สึกคล้ายๆกับว่าจะมีอานาจเรียกร้องดึงดูดอย่างประหลาดอยู่ในดวงตาลึกซึ้งคู่นั้น และบ่งชัดว่าเป็นคนซ่อนความนายอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงมีคาถาอยู่บทเดียวเท่านั้นที่เขาจะป้องกันตัวได้นั่นคือจารินจารินและดารินซึ่งต้องมันท่องไว้เสมอในทุกครั้งที่ศบตากันและอยู่ใกล้ชิดสองต่อสองระหว่างที่ทุกคนยังนั่งพักเพื่อสงบจิตใจอยู่นั้นแดนลี่ก็เดินเข้ามาเดินเข้าไปสํารวจ ด, ดูซากมื่นปีและไม้ที่ค้ายันอีกครั้งแล้วหันมาพยักหน้าเรียกกระพินให้เข้าไปใกล้ เมื่อ น, นั้นเองคนอื่นๆจึงพลอยรุกขึ้นเดินตามเข้าไปด้วยเมื่อกี้นี้มันอะไรกันแน่อุบัติตวเหตุหรืออะไรที่มันทําท่าจะเอียงล้มลงทั้งๆที่ททก็เห็นอยู่ว่าพวกคุณจับมันนั่งในท่าที่มั่นคงที่สุดแล้วจอมพรานยิ้มเลี่ยนสั่หน้าผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันครับและก็ขอรับรองอีกคนหนึ่งว่าขณะที่เราจับให้มันนั่งขึ้นตามเดิมนั้นน่าจะเป็นการจับนั่งที่มั่นคงที่สุดแล้วแต่ทําไมซ่าของมันถึงดันเสือกเอ็นออกมาได้ก็ไม่ทราบ ดูคล้ายๆมันจะมีเจตนาจะแกล้งล้มลงเพื่อให้ระเบิดเร่นงานพวกเรางั้นแหละเชิดวุฒิเ่งเสริมขึ้นมาเลิกสนใจกับมันได้แล้วครับและไปกันเถอะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละเขาชวนขึ้นขณะที่ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นมันเป็นเวลาเกือบบ่ายสองโมงเข้าไปแล้วทุกคนยังไม่ได้กินอาหารกลางวันกันเลยแต่บัดนี้ไม่มีใครหิวสิ่งแรกที่ตังคิดก็คือบัดนี้พวกลูกหาบที่แยกทางล่วงหน้าไปก่อนได้ไปถึงไหนแล้ว รานับตั้งแต่ปล่อยไว้ล่วงหน้าแยกทางไปก่อนเป็นเวลาชั่วโมงเศษแล้วทั้งหมดพระทอยจากที่นั่นโดยตาม น, นำของระพินผ่านซากไอตัวแรกที่ถูกยิงขาพับกระดูกกระจุยนอนอยู่ตรงตำแหน่งเดิมไม่มีอาการว่าจะกระดิกกระเดีย้ยปราณใหญ่นำตัดทางบ่ายหน้าจากดงทึบนั้นโดยเร็วเราจะรัดทางโดยแต่ใก่เขาไปดักสกัดพวกลูกหา่าดักสกัดหน้าพวกลูกห่าที่แยกทางไปก่อน และจะพบกันได้ที่จุดหนึ่ง ใ, ใกล้บริเวณตะเคียนทองภายในอีกชั่วโมงหนึ่งเขาทำความเข้าใจกับทุกคนคุณแน่ใจหรือว่าพวกลูกหากของเราจะยังคงเดินทางไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดชะงักรอฟังข่าวจากพวกเราเสก่อนเพราะเสียงปืนสองนัดของคุณแสแตนลีย์ถามขึ้นพวกเขาจะปฏิบัติตามคําสั่งผมอย่างเคร่งครัดเสมอครับเมื่อบอกให้เขาเดินล่วงหน้าไปเขาก็จะไปกันโดยไม่หยุดเสียงปืนที่ผมยิงคงได้ยินไปถึงพวกเขาในตอนนั้นแน่ๆ แต่การยิงเพียงสองนัดจะไม่ทําให้พวกนั้นสงสัยหรือมีปัญหาอะไรอย่างมากก็แค่สงสัยว่าพวกเราทางด้านหลังยิงอะไรเท่านั้นลืมไปถ้ารู้ตัวล่วงหน้าว่าพวกเราจะต้องเสียเวลากันอยู่นานที่นี่เราควรจะมอบวิทยุให้พรานของคุณไว้สักคนหนึ่งจะได้ติดต่อกันได้ถ้าเกิดเซยหรือจันมีวิทยุอยู่ในขณะนี้เราคงถามเขาได้แล้วว่าขณะนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนเบลเอ่ยขึ้นไม่จําเป็นหรอกครับทิศทางที่จะบ่ายหน้าไปนี่จุดหมายแน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ห่างไกลอะไรนะประเดี๋ยวก็พบกันได้เองว่าแต่อาหารกลางวันมือนี้คลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับเพราะการเดินทางมันผิดแผนไปถ้าใครหิวก็หยุดพักริมดงอีกสักครั้งแล้วเปิดเครื่องกระป๋องเปรชั่นที่มีติดอยู่ในย่ามหลังของแต่ละคนกินรองท้องไปก่อนไม่เป็นไรหรอกรีบตามพวกนั้นไปให้ทานก่อนดีกว่าเรื่องเวลาอาหารคุณไม่ต้องห่วงจะกินหรือไม่กินเมื่อไหร่ก็ได้สุดแล้วแต่เหตุการณ์ดีกว่าขณะนี้เราก็ยังไม่หิวอะไรกันนะร้อนใจเรื่องอื่นมากกว่า วัวหน้าคณะสั่งถ้างั้นก็หมดห่วงไปอีกเปราะหนึ่งผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยและนี่จะเป็นครั้งแรกที่เวลาอาหารของพวกคุณคลาดเคลื่อนไปแต่ต่อไปก็อาจยิ่งกว่านี้คือบางมื้ออาจต้องอดกันบ้างเมื่อเราเดินไกลออกไปกว่า น, นี้ภายหลังจากสเสบียงเรชั่นหมดและยังหาสเสบียงจากป่ามาแก้ไขไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้พวกคุณรับทราบล่วงหน้าแล้วสบายใจเถอะรพินพวกเราพร้อมอยู่เสมอ ไม่ได้รับการยืนยันโดยยอมรับรู้กับสภาพแล้วเช่นนี้สุภาพบุรุษไพรก็ปลอดโปร่งใจขึ้นก่อนที่จะออกพ้นจากบริเวณดงทึบเพื่อย้อนกลับมายังเนินของป่าหินที่เดิมเราสังเกตเห็นคริสเดินล้าหลังกว่าคนอื่นๆโดยมีบุญคำคอยเดินเคียงอยู่ใกล้ๆ ล, ลักษณะของหล่อนดูจะอิดโรยและอาการเดินกระโเผกไม่ถนัดนักจึงชี้เส้นทางให้เชรวุฒคีธและสเตนลี่เดินล่วงหน้าไปก่อน ตนเองผ่อนฝีเท้ารอจนคริสเดินมาถึงแล้วออกเดินปิดหลังตามมาใกล้ๆด้วยบุญคำนั้นไม่เห็นเจ้านายลงมาเดินเป็นเพื่อนแม่มผมทองแล้วก็เลยเร่งฝีเท้าพระขึ้นไปคุณไม่สบายกระมังเขาถามเบาๆเมื่อก้าวเข้ามาเดินเคียงหล่อนยิ้มให้นิดหนึ่งฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกขาทำท่าจะเคร็ยดนิดหน่อยเพราะล้มแรงๆถึงสองครั้ง ครั้งแรกตอนไอ้าดำตัวนั้นวิ่งสวนลงไปครั้งหลังนี่ก็ตอนที่ล้มตัวลงไปหลบระเบิดขอบคุณมากที่อุตส่าห์ตามมาดูหน้าผมอาจจะกระด้างเป็นหินอย่างที่คุณว่าแต่ใจผมไม่หินชาตินักหรอกหล่อนเซเมื่อสะดุดรากไม้กระพินประคองคว้าแขนไว้ผอทรงตัวได้ถนัดแม่ผมท้องก็ยิ้มอีกครั้งปลดมือเขาออกเชิดกายเด่นเป็นสงา่าพยายามเดินในลักษณะปกติที่สุด ตอนความอ่อนเปรี้ยวไว้แต่ไม่พ้นสายตาเขานิสัยของคุณเป็นคนถือตัวและค่อนข้างจะอวดดีอยู่ไม่น้อยนะผมรู้ว่าคุณสบักสบอมมากวันนี้ฉันไปกับคุณได้ก็แล้วกันไม่ว่าจะบีไม่ว่าจะปีนเขาหรืลงห้วยไม่ต้องกังวลคุณไปเดินอยู่ข้างหน้าใก ล, ใกล้ๆเบลดีกว่าไม่ต้องพะวงทางด้านฉันหรอกถึงอย่างไรฉันก็แข็งแรงกว่าเบลฝากดูแลเขาด้วยเบลเป็นเด็กที่สุดในคณะของเราและเขายังไม่เคยผ่านการระจญภัยหนัก เท่ากับฉันท้กคนอื่นๆในพวกเราวันนี้ดูทุกคนเป็นฝ่ายของคุณเจตนาจะให้ผมใกล้ชิดกับหมอเบลจริงๆนะหล่อนปลายหางตาดูเขาแว บ, บหนึ่งคุณเป็นคนป่วยเรื้อรังพยายามใกล้หมอไว้แลดีโดยเฉพาะหมอที่สวยมีเสน่ห์และปรารถนาดีต่อคุณอย่างเบลเพราะในขณะนี้คุณเองก็ห่างไกลคุณหมออันเป็นยอดรักของคุณ รรบพิณขยี้ปลายจมูกต่อปากต่อคำเจราจากับแม่อเมริกันผมทองโฉมงามคนนี้ครั้งไรเป็นถูกเน็บแนมลึกทุกทีตั้งแต่เช้าของวันนี้เป็นต้นมาดูคุณจะไม่ค่อยมีความรู้สึกที่ดีต่อผมเสยเลยโกรธอะไรหรือเปล่าฉันก็ปกติดีทุกอย่างเพียงแต่ไม่อยากจะรบกวนคุณอะไรเท่านั้นเพราะรู้อยู่ว่าคุณไม่ชอบให้ฉันซักโนนถามนี่เจ้าซีอะไรคุณขนาดหน้าฉันคุณยังไม่อยากมองเลย คุณกล่าวหาผมเองผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดสักนิดเดียวหล่อนเฉยและพินบอกต่อไปได้วยเสียงแผ่วเบาว่าเป้ากางเกงของคุณน่ะจะเข็บขาดเป็นทางยาวมากรู้ตัวหรือเปล่าก็เพราะ อ, อย่างนั้นสิฉันถึงไม่อยากเดินไปข้างหน้าขอบคุณอีกครั้งที่เตือนแต่รู้สึกไม่โปร่งใจนักที่คุณตาไวเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรไวพรานทุกคนจําเป็นจะต้องตาไวเสมอ ไม่งั้นก็ดำลงอาชีพพรานอยู่ไม่ได้นานหรอกคุณมีชุดสำรองติดย่ามหลังอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็เปลี่ยนตัวใหม่เสเดี๋ยวนี้เลยผมจะเป็นเพื่อนหลบเข้าไปข้างหลังต้นไม้นั่นก็ได้คริสหัวเราะเบาๆอยู่ในลําคอสั่นหน้าฉันไม่มีชุดสำรองในเป้หลังหรอกมันติดอยู่ในสัมภาระส่วนกลางไม่เป็นไรช่างมันดิ้นเสียงพูดของคริสเสียนเสียงกึกก้องกำปนาดก็แผ่บึ้มนันวันไว้มาจากดงเบื้องหลัง ชนิดแผ่นดินสะเทือนทั้งหมดสะดุ้งสุดตัวและชงงะงักกึกบุญคำที่ไปเดินรวมกลุ่มอยู่ข้างหน้าตะโกน ล, ลั่นออกมาว่านายมันระเบิดแล้วประพินเพนกลับหลังและวิ่งสวนทางย้อนกลับไปยังที่เดิมทันทีก่อนที่กังวาลของเสียงระเบิดจะสิ้นสุดลงเสียด้วยซ้ําคริสติน่าบันนี้ก็ดูเหมือนจะลืมเรื่องขาเคล็ดเสื้ชั่วขณะออกกวดหลังเข้าไปติ ด, ตด ทุกคนที่เดินล้ำไปเบื้องงาหันขวับมาเห็นเชิดวุฒิตะโกนบอกเร็วตามเราพินไปดูทั้งชุดรวมทั้งแต่เท่าบุญคำจึงออกวิ่งรวมกลุ่มกันไปเป็นฝูงสุดกำลังเท่าที่มีอยู่เพื่อย้อนกลับไปดูไปยังไอ้ซากหมื่นปีนั่นเพื่อดูให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพรานใหญ่มาหยุดอยู่ห่างจากตำแหน่งอันเป็นที่นั่งของซากประมาณ15หวาโดยมีคริสวิ่งเข้ามาชนหลังเขาและหยุดชะงักอยู่เช่นนั้น ทั้งคู่จ้องตาเบิกโพลงไปยังโคนจอมปลวกซึ่งบัดนี้ฝุ่นละอองทุลีและม่านควันอันขาวมัวค่อยๆจางลงบ้างแล้วและต่อมาชั่วไม่ถึงอึดใจทั้งคณะทั้งหมดก็แล่นเข้ามายืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานทุกสายตาจ้องไปยังภาพเบื้องหน้าเป็นจุดเดียวสิ่งแรกที่เห็นขนัดที่สุดก็คือจอมปลวกอันเป็นตำแหน่งที่ซากนั่งพิงอยู่นั้นแหกกระจุยกระจายออกไปราวกับฟ้าผ่า มองเห็นเนื้อดินเหมือนใครขุดทางออกทั้งกระบี่ภาพต่อมาเมื่อสายตาลดต่ำลงตรวจ ด, ดูที่พื้นไอ้ซากหมื่นปีบัดนี้แยกสลายออกเป็นสามชิ้นส่วนใหญ่ๆคือท่อนบนจากเอวถึงศีรษะส่วนหนึ่งกระเด็นไปกลิ้งตะแคงอยู่กับพื้นดินห่างจากที่มันนั่งอยู่ประมาณสามวาท่อนที่สองเป็นส่วนกายเบื้องล่างติดอยู่กับขาซ้ายข้างเดียวกระจายไปอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่อันยืนต้นอยู่ไม่ห่างนะ ทางด้านซ้ายริมทางด่านและส่วนที่สามคือขาขวาปรากฏว่าขาดไปตั้งแต่โคนขาหล่นอยู่ใกล้ๆบริเวณจอมปลวกนั่นเองต้นไม้รอบด้านมีรอยขาดเวอร์เปิดแหกออกด้วยอนุภาพของชิ้นระเบิด M. MK2 พื้นตรงที่มันเคยนั่งอยู่เป็นหลุมใหญ่ประมาณ2ฟุตในส่วนกลางและลึกลงไปจนถึงบริเวณก้อนหินที่ฝังจมดินอยู่ราวหนึ่งคืบ ไม่มีรอยเลือดไม่มีชิ้นกระรุ่งกระริ่งของเศษเนื้อจากซากนั้นนอกจากการแยกออกเป็นสามชิ้นส่วนดังกล่าวระดุดอาการแตกทำลายของท่อนไม้หรือรูปสลักด้วยหินเท่านั้นอุดใจเต็มเต็มทุกคนยืนจ้อ ง, องกันตาไม่กระพริบโดยเงียบกริบกันไปหมดต่อมาระพินเคลื่อนที่เข้าไปดูที่ซากส่วนบนของมันอย่างระมัดระวังเมื่อนั้นคนอื่นๆจึงเคลื่อนเข้ามาสารวจตรวจบริเวณ อย่างต้องการจะค้นหาคำตอบออกมาให้ได้ว่าระเบิดมันระเบิดขึ้นได้เพราะอะไรกิ่งไม้ค้หยันตัวซากซึ่งมีสองข้างข้างละสองอันรวมเป็นสี่ก็กระจัดกระจายอยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นแต่ไม่มีการชำรุดแตกหักใดๆทั้งสิ้นระหว่างที่ยังไม่มีใครเอย่ยคำใดขึ้นเลยลาวกับเป็นได้ไปหมดนอกจากมองไปรอบๆนั้นแซนลี้เดินช้าๆเข้าไปหาพลานใหญ่ ก, กำลังนั่งลงสำรวจซากที่ขาดครึ่งท่อนอยู่ระพินความเข้าใจของคุณถูกต้องแล้วในข้อที่ว่าไอ้ซากหมื่นปีนี้มันสามารถลุกขึ้นและเคลื่อนไหวได้นั่นเป็นคำพูดประโยคแรกที่แห่พระของหัวหน้าคณะท่ามกลางความเงียบกริบจอมพลานเอาหลังมือป้ายเช็ดหน้าผักตัดริมฝีปากเบาๆจะเป็นไปได้ไหมครับในกรณีที่เราเอาไม้ค้ำยันป้องกัน ไม่ให้มันล้มแต่แขงข้างใดข้างหนึ่งลงได้แต่เราไม่ได้ไม่เหตุคำไว้ในด้านหน้าด้วยมันอาจล้มคว่ำขมำหน้าลงแล้วระเบิดก็ทำงานทุกคนได้ยินประโยคคำพูดแผ่วต่ำของเขาคิดร้องลั่นมาว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะล้มคว่มหน้าลงผมคิดว่าถึงคุณเองก็ไม่คิดเช่นนั้นเป็นอันขาะนอกจากจะแกล้งยั่งความเห็นเราตอนที่มันนั่งทิงจองปลวกอยู่นั้น เราทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นซากที่แข็งทื่อขาเหยียดตรงราบกับพื้นลำตัวตรงพิงกับจอมปลวกด้านหลังลักษณะของมันเหมือนท่อนไม้มุมฉะการเอ็นล้มด้านซ้ายหรือด้านขวาอาจเป็นไปได้แต่การจะเอน็นคมำหน้ามันเป็นไปได้อย่างไรนอกจากมันจะลุกขึ้นยืนเท่านั้นและการแยกสลายของร่างหรือจะพูดให้ตรงว่าลักษณะที่มันถูกทาลายด้วยระเบิดก็บ่งชัดเลยว่าระเบิดได้ทางานขึ้น ในขณะที่มันลุกขึ้นยืนหยกๆยกนี่ฉะนั้นมันจะไม่ถูกตัดขาดจากบริเวณะโพกด้านหลังและขาทำให้ลำตัวขาดกลางและขากระเด็นไปอีกข้างหนึ่งนี่แสดงชัดเลยว่ามันลุกขึ้นยืนหันหลังให้ระเบิดอาจก้าวขาออกไปได้เพียงแค่สองก้าวเท่านั้น MK ถูลูกนี้ก็ตูมขึ้นร่องรอยของการถูกทำลายมาจากด้านหลังในลักษณะที่มันยืนไม่ใช่ล้มลงนอนในทิศทางใดทั้งสิ้น นรกไอ้ซ่าอุบาทพวกนี้มันเล่นกลกับเราได้แต่มันก็โดนกลลวงของเราได้เหมือนกันคราวนี้จับได้ขะหนังขาเขาและเห็นชัดกันออกไปทีเดียวเสียงพูดของคีสเร็วปรือร้อรอพินนิ่งกว่าตามองไปรอบๆ บ, บริเวณอันอยู่ในอำนาจทำลายของระเบิดร้ายแรงลิสกับเบลก้มลงสำรวจร่างกายตรงบริเวณที่ถูกอำนาจระเบิดตัดขาดออกแล้วมองหน้ากันเองอยังงุนงงเลยที่จะกล่าวได้เมื่อหัวหน้าคณะหันไปถามเบลก็บอกอย่างคนลุกขนพองว่า นี่ ก, กระดูกที่โผล่ออกมาให้เห็นบางส่วนนี่เท่านั้นที่แสดงว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นโครงกระดูกของมนุษย์แต่รอยบาดแผลที่ถูกชิ้นระเบิดตัดขาดออกก็เป็นเหมือนวัตถุกแกร่งเหนียวแน่นที่ทำได้ยางอันเป็นลักษณะที่เราเคยเห็นจากผิวเนื้อนอกมาแล้วนั่นแหละไม่มีเส้นเอ็นไม่มีเลือดไม่มีลักษณะอะไรที่จะดูว่าเป็นเนื้อระหว่างที่ทุกคนหน้าดาคร่าเคร่งกันอยู่ มีจัดเท่าบุญคำคนเดียวที่ยิ้มยิงฟันขาวพึมพำออกมาว่าฮ่าๆาในที่สุดเองก็ติดกับพวกข้าจนได้หน้อยแน่พอรับหลังกันหลัดๆเท่านั้นเสือกลุกขึ้นจะรอให้พวกข้าไปไกลกว่านี้อีกสักหน่อยไม่ได้ลิ์เองมากลิ์พวกข้าก็มีเหมือนกันโว้ยพังไปอีกตัวหนึ่งแล้วตูดขาดเลยบัดนี้ทุกคนหันมาสบตา ก, กันเองซึ่งต่างแย่กันไปมาเชิดวุฒทำปากหมุกมบเหมือนจะพูดอะไรออกมา แต่ลาคอดูจะแห้งผากไปหมดคริสนั่นเอามือทั้งสองกดที่เปลือกตาตัวเองแล้วเปิดขึ้นจ้องดูซากนั้นอีกครั้งเรากับจะให้แน่ใจที่สุดว่าภาพที่หล่อนเห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ภาพในความฝันแดนดี้คีดเบลพากันนิ่งไปอีกพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าระพินไพรยวันหน้าตาอยู่ตามเคยของเขา เรากำลังจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตําตาต่อหน้าทุกคนขณะนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดปัดแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือแล้วบอกลอยๆเพียงเจดนาทีเท่านั้นที่พวกเราเดินผละจกากซากของมันก็แปลว่าเพียงแค่รับหลังเราไม่คี่อึดใจเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นจากท่าที่นั่งแข็งทื่ออยู่ด็ตอร์แตนลีคลางจอมพลานไม่ตอบ แ, แต่ยักไล่นิดหนึ่งเขาถูกคริสถ้ามาอีกว่า คุณลองวาดภาพให้เราเห็นหน่อยสิว่าภายหลังจากเราพระไปแล้วมันตัวนี้มีอาการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนพรานใหญ่ไม่ตอบได้แต่ยักษลายอยู่เช่นนั้นแล้วสั่นหัวโชตบุตรบอกแทนมาให้ว่าก็คงไม่หนีรูปนี้หรอกคือเอามือทั้งสองข้างปัดไม้ค้ำยันมันทั้งสองด้านกระเด็นออกไปแล้วก็ขยับตัวลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์ของมันในภาวะเช่นนั้น สภาพร่างกายของมันมีอาการเคลื่อนไหวได้เหมือนหุ่นยนต์ตามสมมุติฐานที่เราได้ตั้งกันไว้ก่อนแล้วโดยมีอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับอยู่ถ้าจะเรียกว่าวิญญาณซึ่งพวกคุณยอมรับฟังไม่ได้เราก็เรียกพลังงานนั่นว่าคลื่นวิทยุก็แล้วกันคลื่นวิทยุได้มาบังคับให้มันลุกขึ้นยืนและก้าวเดินจะเดินไปไหนก็สุดที่เราจะเดาได้แต่ระเบิดของเราก็ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ เพราะเมื่อมันลุกขึ้นกระเดื่องก็ดีตัวทํางานระเบิดจะระเบิดขึ้นร่างกายของมันแยกเป็นชิ้นส่วนอย่างที่เห็นอยู่นี่คือ QED หรือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในความรู้สึกของผมส่วนใครจะมีความคิดอย่างไรก็สุดแล้วแต่ต่างนิ่งเงันไปอีกวาระหนึ่งแล้วเสียงเบลก็ครางออกมาอย่างหน่าสมเพชว่าแล้วอย่างนี้จะเรียกว่ามันตายหรือเปล่าไพรวัน คุณไม่ยอมพูดอะไรเลยทําไมไม่พูดให้เรามองเห็นอะไรมั่งผมไม่รู้จะพูดอะไรได้อีกแล้วเหมือนกันทั้งหลายทั้งปวงพวกท่านก็ได้มาเห็นกับตาร่วมกับผมนี่แหละเขาพูดบนหัวเราะเหนื่อยเนื่อยซ่อนความกังวลหนักใจลึกไว้ภายในถ้าจะถามว่ามันตายหรือเปล่าผมก็ตอบได้ว่าตายมาหลายหมื่นปีแล้วตามข้อสันนิษฐานแต่แรกของคุณเพราะฉะนั้นไม่มีการตายซ้ํำสองของซากลักษณะที่เราเห็นอยู่นี่ ควรจะพูดว่ามันพังหรือเปล่าน่าจะถูกกล้องกว่าและผมก็ตอบได้ว่ามันพังแน่นอนแล้วสําหรับซากนี้พังอย่างชนิดเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกเลยปรักหักพังปรักหักพังกับตายไม่เหมือนกันครับการปรักหักพังชํารุดเราใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตแต่การตายนั้นเราใช้กับสิ่งมีชีวิตพวกท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าซากนี้ไม่มีชีวิต มันจึงพังไม่ใช่ตายกระเบิ่ที่ผมวางไว้ก็เพียงพิสูจน์ให้พวกท่านเห็นว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้เท่านั้นและบัตรนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันเคลื่อนไหวได้จริงผมก็พูดได้แค่นี้เองถ้าเรายอมรับในเรื่องความอาถรรพ์เรื่องอิทธิพลิดมืดมนโดยตัดทฤษฎีในด้านวิทยาศาสตร์ออกไปเสียคุณจะมีความเห็นเพิ่มเติมไหม ดรสแตนลีย์ถามมาอย่างฉลาดลึกจ้องตาเขาเขม็งคุณจะมองเห็นระพินภัยวันมีสภาพของสมองและความรู้สึกนึกคิดไม่ผิดอะไรกับพวกพ่อมอดหมอผีในแอฟริกาไปเราสัญญาว่าจะไม่ดูหมิ่นความคิดเห็นของคุณเช่นนั้นขอเพียงให้คุณพูดออกมาเธอว่าขอเพียงให้คุณพูดออกมาเธออยากเก็บงําไว้พวกเราจะบ้าตายกันไปหมดแล้วถ้างั้นก็ฟังนะครับ ขณะนี้ผมมีคำอธิบายได้แต่เพียงว่าเมื่อเรารับหลังไปแล้ววิญญาณร้ายอันเป็นศัตรูของเราซึ่งเป็นวิญญาณดวงเดียวที่สามารถอิทธิตเข้าสิงซากคนตายหมื่นปีเหล่านี้ได้ก็หวนกลับเข้ามาสิงร่างนี้ทันทีพร้อมทั้งนำร่างออกเดินเพื่อจะปฏิบัติการอะไรต่อไปแต่พอระเบิดทำงานแยกชิ้นส่วนร่างกายออกวิญญาณก็แผะทอดออกจากซาก หาทางไปสิงสู่ซากอื่นๆที่มันอาจมีเตรียมไว้เพื่อรอจังหวะเล่นงานเราต่อไปสุดแต่โอกาสของมันเป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่มได้ยินดร์แซนลี้สะบัดอุบอิบในลำคอวิญญาณร้ายที่คุณว่านี่เราไปทำอะไรให้มันถึงได้จองอาฆาตแค้นตามล้างผลาญเราแบบนี้และลักษณะที่คุณว่านี่มันเป็นอมตะหรือไม่ตาย สามารถจะถ่ายทอดวิญญาณเข้าสิงสู่ซากใดซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามีอยู่สักเท่าใดก็ได้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้เราจะปราบมันได้ยังไง น, นั่นมันจะเป็นนั่นมันเริ่มจะเป็นคําถามซึ่งจะต้องซึ่งจะต้อนรับพินไพรีวันให้เข้าสู่การอับจนเสียแล้วการอับจนในที่นี้ก็คือความจําเป็นที่จะต้องเล่าถึงอาถรรั์แห่งนิทรานครซึ่งเขาเคยผ่านมาก่อนแล้วแล้วก็เห็นอยู่ว่ายังไม่อยู่ในฐานะที่จะเปิดเผยความจริงให้ฝ่ายในจ้างทราก อีกประการหนึ่งเขาเองก็ยังไม่แน่ใจยังค้นหาคําตอบไม่ได้ว่าวิญญาณอะไรกันแน่ที่คอยดักเล่นงานเขาและขณะอยู่ในขณะนี้จะว่าเป็นวิญญาณร้ายของมันตรัยก็ยังไม่มีอะไรมาเป็นข้อพิสูจน์ได้แน่ชัดนี่อยู่ทางเดียวคือเลี่ยงคําตอบเสียเรามาคราวนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์มาเพื่อปราบอะไรไม่ใช่หรือครับเราจะไปทํางานสําคัญของเราและถ้าเกิดอันตรายใดๆขึ้นในรูปไหนเราก็จะหาทางป้องกันแก้ไข เพียงแค่ให้ไฟายเรารอดปลอดภัยเท่านั้นแต่ถ้ามันคอยจ้องที่จะสกัดกั้นรางควาเล่นงานเราอยู่อย่างนี้ละ่ะจะทํำยังไงคริสพูดเหมือนรำพึงหล่อนเริ่มวิตกเห็นได้ชัดเราจะเดินรุดไปตามเส้นทางของเราตามแผนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับถ้ามีอุปสรรคอะไรมาสกัดกั้นขวางน่าจะแก้ไขให้รีกลอเป็นครั้งครั้งไปผมเชื่อว่าเรารเผชิญกับมันได้ทุกสถานการณ์ขอเพียงให้เราทุกคนรู้ตัวล่วงหน้าและเตรียมพร้อมคอยระวังไว้ก็แล้วกัน สำหรับผมาพวกท่านทุกคนมีความเชื่อถือไว้วางใจก็ อ, อย่าได้มีความวิตกกังวลอะไรเกินกว่าเหตุเลยประสบการณ์ในชีวิตเผชิญภัยอยู่ในป่าของผมจะช่วยให้ผมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้งมาเสมอถ้าไม่เคราะหร้ายจนเกินไปนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ผีหมื่นปีพวกนี้จะปรากฏกายเรียงหน้าเข้ามาเป็นพิษเป็นภัยกับเราสักกี่ตัวและจะติดตามเล่นงานเราไปได้นานอีกสักแค่ไหนในเมื่อ เราเดินทางไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดบางทีอาจเป็นได้ในกรณีที่พ้นเขตของมันออกไปแล้วสิ่งหน้าขนลุกชนิดนี้ก็หมดสิ้นไปกลายเป็นอุปสรรคด้านอื่นซึ่งยังเดาไม่ได้เกิดขึ้นแทนพวกทักนก็ควรจะยินดีด้วยว่าถึงอย่างไรเราก็ไม่ได้แพ้เปรียบมันนะอย่างน้อยที่สุดเมื่อมันเคลื่อนไหวได้มันก็เจอระเบิดพังไปได้เหมือนกันอย่างที่เห็นกันอยู่นี่และถ้าพบกันจังหน้าในกรณีที่มันเจตนาจะเข้ามาทาําร้ายเรา ลูกปืนของเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหมายนะถ้าเรายิงให้ได้เป้าหมายสำคัญของโครงซากมันตามทฤษฎีของผมผมไม่วิตกในเรื่องไอ้ผีดิบลึกลับพวกนี้จะหนักใจเรื่องกองทับช้างของไอ้งาดาซึ่งน่าจะมีอะไรสัมพันธ์อยู่กับบิญญาณอุบาทนี่มากกว่าถ้ามันเกิดรวมหัวกันยกข้มาบุกเล่นงานเราจริงๆและยิงสกัดไว้ไม่ทันพวกเราจะถูกช้างกระทืบตายหมด คุณเรียนรู้ในทางไซยศาสตร์หรือเปล่ารอพินโดยกระทันหันและคาดไม่ถึงมาก่อนคริสถามเขาขึ้นอย่างตรงไปตรงมาคำถามชนิดนั้นทําให้เขาต้องหันไปมองหน้าและคุณเชื่อในทางไซยศาสตร์หรือเปล่าเขากลับย้อนถามเรียบๆยอมรับว่าฉันไม่เคยเชื่อถือมาก่อนเพราะมันขาดผลพิสูจน์แต่พฤติการที่เราเห็นอยู่นี่อย่างน้อยมันก็มีผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไสายศาสตร์มนมืดเป็นสิ่งมีจริง จึงอยากจะถามว่าคุณได้ศึกษาเรียนรู้อะไรมาบ้างไหมผมไม่มีประกาศนียบัตรหรือได้รับปริญญาในศาสตร์ขแขนงนี้มาก่อนเพราะไม่มีสถาบันไหนเปิดให้ศึกษาแต่รับว่าโดยอาชีพจำเป็นต้องเรียนรู้เหมือนกันเมื่อคุณถามตรงๆผมก็บอกตรงๆการเรียนของผมไม่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยแห่งไหนของโลกเรียนจากครูพรานและประสบการณ์ที่ผจญมาก่อน ฉันก็เชื่อเช่นนั้นแหละว่าคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้มาทางนี้บ้างไม่มากก็ น, น้อยแต่อยากจะถามให้แน่ใจอีกครั้งเท่านั้นมีประโยชน์อะไรในคำถามของคุณมีมากในด้านจิตวิทยาถ้าเรารู้แน่ว่าคุณชำนาญในเรื่องนี้ด้วยเราก็จะยิ่งสบายใจมากขึ้นและเชื่อแน่ว่าคุณจะต้องแก้สิ่งประหลาดประหลาดที่เราพบเห็นนี้ได้ตกรานใหญ่ยิ้มนิดหนึ่งถ้างั้นสบายใจได้แล้วลพินพรยวันไม่ไดเรียนมาเฉพาะ S Military s c i ซแ c e เท่านั้นแต่เรียนในทางแบ a c k เมจิกด้วยคิดซะว่าผมเป็นพ่อมดหมอผีคนนึงก็แล้วกันถ้าคุณเชื่อในเรื่องชนิดนี้และถ้าต่อไปพวกคุณเห็นผมเอาสีเขียนหน้าเอากระดูกสัตว์ห้อยคอนุ่งต้นหญ้าถือไม้เท้าหรือแท่เอาน้ำมนต์พรมส่งเสียงร้องโวกเวกเต้นระบำอยู่รอบๆกองไฟก็อย่าหัวเราะผมก็แล้วกัน คริสวางหน้าเฉยมองเขาอย่างพินิษเพราะท่านในคําพูดแบบกึ่งประชดกึ่งล้อเลียนแสแตนลี่กับคีธเพียงแต่ยิ้มขันๆออกมาได้เป็นครั้งแรกเบลกับเชิญวูดเบลกับเชิญวูดหัวเราะกากออกมาเป็นครั้งแรกเสียงใสของเบลร้องบอกว่าตกลงเราจะรอดูเวลาที่คุณทําพิธีเช่นนั้นจะช่วยร้องเพลงเคาะไม้เป็นจังหวะให้ด้วยแต่ควรจะบอกจังหวะให้เรารู้ร่วงหน้าด้วยจะเคาะมาให้ตรงกับจังหวะ อ๋อได้ตามปกติผมจะใช้จังหวะวาตุซี่ผสมบัมีคองก้าเจือปนด้วยเล็กน้อย่าแต่เราจะไปกันได้หรื อ, อยังหรือใครมีความคิดว่าจะก่อไฟทดลองย่างไอผีดิบหมื่นปีตัวนี้ริ้มรถกันดูแทนอาหารกลางวันผมว่ามันคงกินไม่อร่อยนกะกรอกและฟันพวกเราอาจหักกันหมดถ้าหาักทดลองแซนลี่ว่าพร้อมกับโบกมือกับพักพวกตะโกนโอเคมูฟ ทุกคนพระจากสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนก้าวเดินคิดถมน้ำลายลงไปลดซากแยกเขี้ยวคำรามว่า go to hell แล้วก็กระทืบโครมลงไปบนศรีรษะที่ยิงฟันแงแกนอนขมาอยู่กับแผ่นดินนั้นบุญคำยังคงยืนเกาหัวแกรกแกรกอยู่ตรงซากอันขาดออกเป็นสามทอด น, นั้นในระหว่างที่ทุกคนพระไปหมดเบลกับเชิญวุษเป็นคู่สุดท้ายที่เดินผ่านหน้าแกไป ทันใดนั้นเองแกก็คว้าข้อมือแหม่มผมแดงหมับเข้าให้กระซิบแหมมเดี๋ยวก่อนอิสเบลหน้าตื่นมองหน้าแกเชิดวุฒิรอยหยุดชะงักลงด้วยทำไมลุตตะคมบุญคําเลี้ยวซ้ายแล้วแลขวาพอมองเห็นเชิดวุดยืนอยู่ใกล้ๆด้วยก็ยิ้มแห้งๆอุบอิบว่าขอพูดอะไรเป็นความลับกับแหมมเบลสักะเดียวเพ่นนายทหารเอาเฮนหน้าถึงฉันจะอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรหลอกรับรองจะรักษาความลับให้เราพวกเดียวกันแท้ๆ เชิดวุฒิรีพูดยิ้มยิ้มก้าวใกล้เข้ามาอีกบุญคําทําหน้ามุ่ยลําบากใจแต่พอเบลเตือนมาด้วยน้ําเสียงกรุณาว่าบุญคํามีเรื่องอะไรก็ว่าไปสิแต่ถ้าจะขอความรักแหม่มแล้วก็บอกนะฉันจะได้ไปเสียแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ขอรู้ด้วยคนนายทหารหนุ่มพูดปนยิ้มต่อมายี่บุญคําจะขอความรักแหม่มทำไมให้เสียเวลาแหม่มเบลนะ่ะทั้งรักทั้งปราณีบุญคําอยู่แล้วมากกว่านายทหารเสอีกไม่เชื่อลองถามแหม่มดูสิจริงไหมแหม่ม เรายิ้มพลายเอื้อมมาบีบแก้มเหียวๆของแกพยักหน้าบอกว่าจริงๆฉันรักบุญคำยิ่งกว่าคนหนุม่มหน้าทะเล่นคนนี้สอีกว่าแต่ยังไม่ได้บอกเลยมีเรื่องอะไรไอผีขาดครึ่งท่อนตัวนี้กัไอตัวที่นายะพินยิงขาหาักเอาไว้น่ะแห ม, มคิดบ้างไหมว่าถึงตัวมันจะชำรุดพิการไปแล้วแต่มันอาจคลานง ม, มงามได้อีกถ้ามีวิญญาณสิงแ ม, มคงไม่อยากเห็นไอผีตัวขาดครึ่งท่อนไปคลานให้เห็นที่ไหนอีกใช่ไหม เบลสะดุ้งโยงอุทารมายัางตกใจว่าฉันคงช็อกตายถ้าเห็นอย่างบุญคําว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ขวัญหายหมดแล้วอ้าวนี่บุญคําพูดจริงๆนะเชื่อมันได้เหรอถึงตัวมันจะขาดกระลุกกระลิ่งแบบนี้มันก็อาจไปคอยหลอกเราในหนทางข้างหน้าอีก็ได้ถึงไม่มีแรงที่จะทําร้ายเราได้เอาแค่หลอกเราให้จับไข้หัวโกรนก็ยังดีบุญคําไม่เชื่อใจมันเลยแหมอยากจะให้มันกลายเป็นท่อนไม้อย่างนี้ตลอดไปไหมล่ะหล่อนพาซื้อพยักหน้ายากสิ ทงนั้นแหม่มต้องทำอย่างบุญคําบอกคุญคามีวิธีที่จะให้มันนิ่งอยู่กับที่ได้ตลอดการไปเลยแต่ก็ไม่มีใครทําได้นอกจากแหม่มเดลหรือแหม่มคริสเท่านั้นตอนนี้แหม่มคริสก็ไปโน่นแล้วเหลือแต่แหม่มเบลคนเดียวใจท่านทํายังไงแหม่มชี้รถหั ว, ว่ามันทั้งสองตัวนี้เถอะรับรองไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกภาษาไทยของเบลยังไม่ดีนักโดยเฉพาะสแสดงทําหน้าเตือนๆน้องเบาๆ What Hey Wood I don't understand what you o man say เชิดวุฒิกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงแล้วแปลข้อความให้ฟังเบลพอฟังสิ้นกระแสความก็ร้องเอสตโร ล, ลั่นบ้าตะแก่สกรปรกขาดคำหลงก็ตกฉาดจอมสปปโดกแห่งป่าวัยปารันลิงก้มหัวแผลบฝ่ามือของแม่ผมแดงก็ผิดเป้าหมายเลยไปกระทบแก้มเชิดวุฒิฉาดใหญ่ถึงขั้นร้องโอ๊ยออกมาส่วนตาท้าวิ่งจูดกะไปเสียแล้วอย่างโนกรู้ปล่อยให้เบลกับเชิดวุฒิตกลงกัน ตกลงกันเองเรื่องตกผิดเพราะบัตินี้แกจ้ารวดรวดไปเดินนำหน้าเบื้องหน้าของคณะทุกคนแล้ว